พะเยามันค่ะแล้วก็มีเมื่อเมื่อปีใหม่ที่สิเมตมากราบท่านแล้วก็บันรจุทําไว้แล้วก็ส่งให้ท่านอาจารย์ตรวจค่ะดูอะไรวะกับเอหนังสือที่คณะของลูก จะจัดพ right, ิมพ์ขึ้นสำหรับกันที่มาเนี่ยจะขออนุญาตใช้ชื่อหนังสือว่าจุลธรรมได้ไหมที่ค้านแล้วแต่ก็เป็นชายาของท่านอาจารย์ได้เลยนี่ชาเขียวอ่ะที่สุเทพเก็เขาทำแจ้เขาให้เขาส่งกระดีเมลมาให้หน่อยได้ค่ะ มันเป็นไม่ชอบไปเพราะว่าเราต้องเข้าไปพิมพ์ใหม่ีทีมันพิมพ์ไม่เป็นอราพิมพ์ผลานได้เป็นทุกทีเอามันจะช้าให้เขาให้เให้ีมลมาให้จได้แก้ได้เลยอันนี้เป็นชุดอันใหม่อันใหม่เดี๋ยวเราเขาที่ทีทีเพิ่มกันเดินที่แล้วไปนะเดละกันก็ท่านคุไปเรื่อย แต่มีอันแรกนิดนึงที่มีกันวันที่เจ็ดที่คุณมีและมาค่มาด้วยเพมเาาด้วยได้วมันเป็นส่วน้ออ่าเพ่รวมกันเข้าไปเป็นไงทุกคนสบายดีเีใหม่เลยะเมื่อส่งที่ก่อนเพิ่งไปเชียงใหม่มาตาท่านไดทำ ที่บัตรดีห น, นึ่งวิีบัตรดีท่านกลับไปรู้ปัญาแล้วหรืกลับไปมาถึงเมื่อวานแล<อ>้วป่ะเมื่อสองวันก่อนก็ไปในเว็บเดอยู่ที่แพร่ยรอยู่ครับก็ว <c oughs> ันเวลาก็ผ่านไปนะเราจะแก้สอนให้เราถามตัวเราเองว่าวันคืนร่วงผ่านไป เราทำเราเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำหรือไม่ในพระปฏิสิณมาอุวาที่ทรงกลัาไว้ว่าสังขัรทั้งหลายซึ่งของไม่เที่ย ง, งยังประโยชน์ตอนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่สมัครเถ็ดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเพือนสติรเราอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลามันเหมือนกับน้านําที่มันไหลเวลามันไม่ไหลกลับมาเวลานี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะเราก็ อ, อาศัยเวลาเวลาที่เราจะทําประโยชน์เราก็ต้องมีเวลาถึงจะทําได้เพราะเวลามันจะมีไม่มีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราเพราะเราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือวันละ24ชั่วโมงเหมือนกัน เราจะใช้เวลา24ชั่วโมงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ก็ได้ให้มันเกิดโทษก็ได้ที่ตัวเราถ้าจิตใจของเราคอยรำลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่เรื่อยๆเราก็จะใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราห่างไกลจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนความมืดบอดคือโมหะ อาิชามันก็จะคืบคลานเข้ามาครอบงำจิตใจเราก็จะทำให้เราคิดไปในทางโลกในทางสมุทยัยในทางสะสมกองทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวโดยที่เราเรียกว่าเรากำลังคิดในสิ่งที่ดีกำลังสร้างในสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีจริงความหนักธรรม ผจะจส่วนใหญ่เราก็มักจะสร้างเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลือดถ่าบรรดาศักดิ์เหล่านี้่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังทาวรและมันไม่ได้เป็นอาหารของใจงอย่างแท้จริงมันเป็นยาพิษที่มากกว่าเพราะเพื่อใดถ้าเสกพวกราบยกสารเสริญสุขคือกามัสุขมากเข้าไปเท่าไหร่ ก็จะมีแต่ความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นจิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความโกวายมีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราคิดถึงธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าคิดถึงอาหารของใจคือธรรมะคือการปฏิบัติธรรมของการทำอย่างห้ทานรักษาสีนภาณา เราก็จะได้สะสมสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงเพราะทำกับใจนี้เป็นของคู่กันเลงของที่ใจต้องพึ่งพาใสา่คือธรรมถ้าใจมีธรรมแล้วใจก็เย็นใจก็สุขใจก็อิ่มถ้าใจขาบธรรมมีแต่กิเลสดึงเราคือความโลภโมโทสัง รวมแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจท่าการกองเงินกองทองกองตำแหน่งที่สูงสูงนี่แหละมันจะไม่มีความหมายเลยสาหรับจิตใจเวลาจิตใจที่มันรุ่มร้อนเงินทองมากมายเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะดับมันได้มีตำแหน่งสูงขนาดไหน เป็นถึงพระมหากษั ต, ตริย์ยึดเป็นประธานาธิปดีเป็นนายกพัฒนมนตรีก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้แต่ถ้ามีธรรมแล้วความวุ่นวายใจมันจะไม่ค่อยปรากฏ ห, หรือจะไม่มีเลยก็ได้ถ้าจิตเป็นดวงจิตที่มีธรรมทั้งร้อยเป็นเป็นธรรมทั้งแข่งเราก็ก็จะไม่มี ไม่มีช่องที่จะให้ความรุ่มร้อนนั้นมันเข้าไปสิยงอยู่ในจิตในใจได้ผู้ใดที่ได้ศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติธําแล้วจนได้เห็นธรรมบ้างจนได้เห็นผลบ้างแล้วจะเริ่มเข้าใจเห็นความสำคัญของความจำเป็นของธรรมแก่ใจแต่ผู้ใดที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติเลย ต่ไม่ค่อยเข้าใจถ้าทำไปก็ทำไปสักแล้ว่าทำคือมีจิตศรัทธาแต่ทำแบบยังไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้เห็นของจริงถ้าเป็นคนทำงานก็ยังไม่ได้ไม่เคยรับเงินเดือนแทีจรก็ทาไปไม่รู้ว่าสิ้นเดือนเจ้านายจะให้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการงานที่ตนเองทำอยู่ก็จะเกิดมีฉันทะมีวิริยะตามมาแต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวผลักดันไปถึงแม้ทำไปแล้วยังไม่ได้สัมผัสกับผลที่ได้กระทำก็ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุนทำทางการรักษาชีว การภาวนานั้นจะเป็นผลที่ดีที่เลิศ ก, กับตัวเรากับใจเรามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้ า, ายังไม่สัมผัสกับผลนั้นเราก็ยังจะไม่ค่อยมีกําลังจิตกําลังใจเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยการบังคับจิตใจด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ดีเชื่อในพระธรรมคําสอนก็ดีหรือเชื่อในพระอริยสงสาวกปกัน ว่าการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่วิเศษที่สุดกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ถึงแม้จะหมดเงินหมดทองหมดเนือหมดตัวจากการทํางานอาจจากการทําบุญจากการทําความดีจากการไ้ปฏิบัติธรรมก็อย่าไปเสียดายเลยเพราะในที่สุดแล้วชีวิตของเราก็ต้องหมดไป ทรัพย์สิสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่มากมายเพียงไรสักวันหนึ่งก็ก็หมดจากเราไปเราต้องจากมันไปมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราแต่สมบัติที่เราสามารถนำติดตัวติดใจไปได้ก็คือทำที่เรียกว่าทรัพยายงหรือเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็ได้รนี่คือสิ่งที่จะติดตัวไปกับติดกับใจ ถ้าเรามีนิสัยทำบุญทำทานนิสัยนี้ก็จะติดตัวกับเราไปเรามีนิสัยรักษาศีลมันก็จะติดตัวเราไปเรามีนิสัยัภาวนานิสัยฟังเทศฟังธรรมมันก็จะติดตัวเราไปแล้วจะเวลาเราไปเกิดชาติหน้าเราจะไปทำสิ่งเหล่านี้มันก็จะง่ายไม่ต้องฝืนเพราะเราเคยทำมาแล้วเป็นนิสัยของเรา เหมือนกับคนที่ถนัดมือขวาไปเกิดชาติหน้าก็จะถนัดมือขวาอีกคนที่ถนัดมือซ้ายไปเกิดชาติหน้าก็จะถนัดมือซ้ายคนที่เป็นอัจริยยะไปเกิดชาติหน้าก็จะเป็นเด็กอริยะเพราะสิ่งเหล่านี้มันติดไปกับจิตกับใจมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตนนี่เรียกว่านิตรสัยหรือสันดาณที่ติดตัวไป ถ้าเป็นนิสัยดีมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันก็จะเป็นโทษกับเราเช่นถ้าเราติดนิสัยความเกลียดแค้นเราติดนิสัยความโลภโมโทสังเกลียดนิสัยการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันถ้ามีนิสัยแบบนี้ติดตัวไปมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปในทางที่ไม่ดีไใน พบหน้าชาบหน้าต่อไปดังนั้นถึงงานในชาตินี้เราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเห็นผลถึงขั้นพระอริยะผลก็แล้วแต่แต่ถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราก็จะได้ปลูกนิสัยที่ดีไว้เพื่อที่จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ก้าวขึ้นไปสู่ทําขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในการเกิดของเราแต่ละพพแต่ละชาติแล้วถ้าเราปฏิบัติตามแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วพภพชาติของเราก็จะเป็นภพชาติที่ดีคือเป็นสุขติผู้ที่มีสุขติก็คือผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่จะไปเกิดในสุขติก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นเองเดังนั้นถึงแม้ว่าเวลาเราปฏิบัติไปทําไป จะมีความรู้สึกว่ามันยากก็ฝืนทําไปเพราะเรากําลังปลูกฝังนิสัยใหม่นิสัยของโคทิสัพนิสัยของพระอนิยะเจ้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ เ, เป็นธรรมชาติของปุถุชนธรรมชาติของปุถุชนก็คือนิสัยของแห่งความโลภโมโทสั เราจรึงเป็นปุถุชนกันเพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงเป็นเหมือนกับเป็นบิดาดังที่เราได้ยินว่าในธรรมที่ท่านสอนว่าอาวิชชาปัจจะยาสังขาราจิตของเราเหานี้มีอวิชชาเป็นผู้ทําให้เราคิดถ้าเราคิดด้วยอวิชชาเราก็คิดด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบคิดด้วยมิจฉาทิฏฐิ เห็นเงินทองเห็นราบยศเห็นตรรเสริญเห็นกวามมั่งศว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาเหมือนกับปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่หารู้ไหมว่าเมื่อได้ตะคุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลาเบ็ดนั้นแล้วก็จะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวที่คอทําให้ทุกข์มาอย่างยิ่งสั่นใด ลับยศรเสะะสนสุกก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราต้องเสกเราก็ต้องระมัดระวังต้องรู้ว่ามันมีเบ็ดซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อนั้นต้องกัดแบบฉลาดไม่ใช่กัดทีทั้งคาค่อยๆเล็มเมันคือเหมือนเราต้องรู้ว่าเมื่อเรายังต้องอยู่ในโลกนี้เรายังต้องคลื่ปลาสายเ ง, งินทองเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่ เราก็ต้องมีเงินทองเป็นเครื่องซื้อหามาแล้วเราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงกับการมีเงินมีทองจนคิดว่าการมีเงินมีทองนี่จะเป็นสิ่งที่บรรดาลความสุขให้กับเรามันบรรดาลได้ก็แค่เพี่ความสุขของกายคือการมีอาหารรับประทานเวลาที่เราหิวการมีเสื้อผ้าใสามีบ้านอยู่ มีรักษาโรคเงินทองมันสามารถบรรดาลให้กับเราได้เพียงเท่านี้แต่ถ้าต้องการความสุขที่มากกว่านี้แล้วมันมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความสุขแบบปลาที่คุบเอือที่ติดอยู่ปลายเด็ดนั่แนแหละเวลาได้ใช้เงินใช้ทองแบบสนุกสนานเฮฮามันก็มีความสุขชั่วขณะที่ใช้ไป เมื่อมันผ่านไปแล้วเงินทองก็หมดไปด้วยครั้งต่อไปมันก็อยากจะมีความสุขแบบนี้ถ้าเงินทองไม่พอที่จะเอาไปใช้ซื่อความสุขแบบที่เราเคยได้สัมผัสความสุขมันก็ไม่มามันก็จะมีความทุกข์แทนที่แล้วยิ่งถ้าไม่มีเงินทองเลยก็จะเดือดร้อน ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีสุขที่เป็นสุขแท้และสุขปลอมสุขปลองก็อย่างที่พูดไว้สุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพที่มาสัมผัสกั บ, กบตาหูจมูกกลิ้นกายเสพไปแล้วสัมผัสแล้ ว, ลวเกิดเวทนาคือความสุขแล้วเมื่อมันก็หมดไป แล้วก็เกิดความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวความอยากที่จะเสพมันอีกเป็นเหมือนกับยาเสพติดยาเสพติดนี้คนที่ไม่เสพนั้นสบายกับคนที่เสพเพราะคนที่เสพนี้จะต้องเสพอยู่ตลอดเวลาจะต้องไปหามาเสพอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้เสพแล้วก็จะทุกข์ทรมายจะทรมารจิตใจแต่คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดนี้ ก็อยู่อย่างสบายไม่มียาเจ็ติดก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีก็ไม่ได้หิวไม่ได้อยากด้วยเหมือนกับกามาสุขที่คนที่เสพกว่าคนไม่เสพคนที่ไม่เสพก็อย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้เสพเรื่องกามาสุขเลยแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าคนที่เสพท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนหาเงินหาทองแล้วก็ ดิ้นรนกับการใช้จ่ายเงินทองนี้เพื่อให้ได้มาซส่งความสุขแบบนั้นท่านอยู่เฉยๆท่านก็มีความสุขแล้วเพราะจิตของท่านไม่ได้หิวไม่ได้อยากไม่ได้ติดกับการเสพเรื่องความสุขแบบจลอมๆ น, นั้นเพราะจิตของท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือการเอาชนะความอยากที่จะเสพความสุขทาง ทางกามนั่นเองจิตเวลาที่มันสลัดความอยากระเสกกามรู้สุขได้มันก็จะสงบสงัดขึ้นมา mm. เ้าเรียกว่าเป็นจิตที่สงบจิตสงบเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขเมื่อนั้นมีความเย็นมีความสบายมีความเบาเหนุนกลับได้ปลดเรื่องภาระต่างๆที่แบกไว้บนบ่าออกจากบ่าไป สิ่งที่กดดันพวกเราซึ่งเป็นเหมือนกับภาระก็คือการละตันหานี่แหละคือความอยากในการเป็นเบื้องต้นแล้วรวมไปถึงตันหาอีกสองอย่างคือภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือความกลัวในสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันเหล่านี้เป็นเหมือนกับภาระกดดันจิตใจของเรา แต่ถ้าเราสามารถต่อสู้ด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและปัญญาเราจะสามารถทำลายไอ้ความอยากเหล่านี้ให้ออกไปจากจิจากใจได้ว่ามันไม่มีอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวก็เหมือนกับไม่มีอะไรมากดดันเรามาสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจสร้างความหิวสร้างความกระหาย ให้กับใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่มีแต่ความอิ่มอยู่ตลอดเวลามีแต่ความพออยู่ตลอดเวลาก็าไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาอะไรไม่ต้องไปมีไม่ต้องอาไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่ล้วนมีแต่ความทุกข์ซ่อนอยู่จิตก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้น เวลาเรามีอะไรเรามังจะต้องมีความกังวลใจอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่มันจะจากเราไปเมื่อไหรเราก็ไม่รู้แล้วเราก็รู้ว่าเวลามันจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่องให้ความสุขกับเรา มันจริงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เราจริงต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเบื้องต้นเราก็ต้องหาครูบาอาจารย์พระที่ท่านได้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วให้เป็นผู้ที่สอนเราบอกเราเตือนเราเพราะโดยลำพังแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเราคิดของเราคนเดียวเราจะคิดไม่ออก เรื่องตรงนี้มันเราไม่มีประสบประการมาก่อน <c oughs> เราจะคิดไปในทางที่เราเคยคิดเสมอ ถ, ถึงแม้จะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแต่พอออกจากวัดไปไม่กี่นาทีมันก็ลืมแล้วมันก็โดนความคิดแบบเดิมๆมากลบมามันมีอำนาจมากเราจึงต้องภาวนาอยู่เรื่อยๆดั่งที่พีเจ้าทรงสอนพระ อ, รอนุ์ว่า อ, าอนุ์ เธอต้องพิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเธอจะได้ไม่หลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังถาวรมันไม่ใช่เป็นสาระของจิตใจถ้าเธอคิดถึงความตายแล้วก็จะทําให้เธอไม่ประมาทเธอจะได้เร่งรีบเร่งขวนขวาย สร้างสรณะให้เกิดขึ้นภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการภาวนาถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องหลงอยู่กับการไปทำงานทําการเมื่อได้งานได้เงินมาแล้วก็นั่งคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีเอาไปซื้ออะไรดีอเรื่องที่จะไปทำบุญเอาไปเสียตลานี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะส่วนแรกเรื่องความอยากจะหาความสุข อาการเจ็บลูกเสียงกินลดปวดสะพานี่มันจะมากอ่อนดังนั้นเราต้องพยายามเตือนสติเราเสมอว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราตัดได้ลดได้ละได้ก็พยายามตัดไปลดไปละไปแล้วเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เกิด ค, ความสุขทางด้านจิตใจเราจะได้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้ด้วยตัวของเราเองอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี้แหละอัตตาหิอัตโนนาทูไม่มีใครที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงมีตัวเราเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับตัวของเราเองได้คนอื่นนั้น เขาให้ความสุขแล้วเขาก็ให้ความทุกขกับเรามา dear. ด้วยพร้อมๆกันคนที่ให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมีความผูกพันมีความห่วงใยมีความยึดติดกับในตัวคนนั้นเขาเคยให้ความสุขกับเราเราก็ต้องหวหังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราไปเสมอถ้าเกิด <t> ว <ose S 2> ันดีคืนดีเกิดเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเสียอกเสียใจ เราก็บังคับเขาไม่ได้ด้วยเพราะคนเราทุกคนก็มีความไม่เที่ยงแท้อยู่ในตัวของตัวเองบางทีตัวของเขาเองก็บังคับตัวเขาเองไม่ได้เขาอยากจะดีกับเราแต่อารมณ์มันไม่ดีด้วยมันเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงความดีที่เขาเคยมีอยู่นั้นให้กับเราได้เราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจ นี่คือโทษนี่คือความทุกข์ที่พวกเราทุกคนเจอกันหลือประสบกันอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่เวลาทุกข์ก็อดทนกันไปนี่เป็นการอดทนแบบที่ไม่ถูกวิธีเราควรจะอดทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการทำความดีดีกว่าเช่ น, นอดทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ แล้วเกิดความเจ็บปวดที่ตรงนั้นเจ็บปวดที่ตรงนี้ทนมันไปทนแบบนี้ดีกว่าคือทุกเบื้องต้นแล้วให้มันสุกเบื้องปลายดีกว่าที่จะสุกตอนต้นแล้วต้องมาทุกตอนปลายทุกจากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นความทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปมันจึงเป็นสิ่งที่ยากของ บุตรชนอย่างเราทั้งหลายที่จะเข้าสู่ถึงธรรมะกันได้เพราะเราต้องทุกข์ก่อนถึงจะสุขไม่เหมือนกับทางโลกคือสุขก่อนแล้วค่อยทุกข์เหมือนกับซื้อของก็เอาของมาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังนี่คือทางโลกเป็นอย่างนั้นซื้อเงินผ่อนได้ผ่อนได้แต่ทางธรรมะนี่ต้องจ่ายให้หมดก่อนถึงจะได้ของ มันจึงทําให้รู้สึกว่ามันไม่น่าไม่อยากที่จะเป็นทางธรรมะเท่าไหร่กว่าจะได้ธรรมะทีนี้ลิ้นแทบห้อยแต่มันได้มาแล้วมันคุ้มค่าหมายเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารยนะ์นั้นท่านก็ต้องทุกขรมานขนาดไหน ท่านก็รักความสุขเหมือนจะพวกเราเพราะท่านก็เกิดมาแบบเดียวกันเกิดมาในครอบครัวมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้องอยู่กับเพื่อนกับคุณอยู่กับความพร้อมบริบูรณ์ของความสุขของคนในโลกแต่ท่านก็ยังกล้าที่เสียสละไปอยู่แบบไม่มีอะไรเช่นอยู่ในป่าในเขามีเพียงแต่อาหารที่ได้จากดินธบัต ที่อยู่ก็ตามมีตามต่ออยู่ใต้โคนไม้บ้างอีกใต้ในถ้าบ้างก็อยู่ไปไม่มีเครื่องบรรดารความทุกขทั้งหลายให้ไม่เหมือนกับเราที่อยู่ที่บ้านเรามีพร้หมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เครื่องปับอากาศตู้เย็นอะไรต่างๆเหล่นี้รวดเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอคือเวลาที่เราจะต้องจ่ายบิน เวลาที่เขาส่งบินมาให้เชื่อมโทรศัพท์เชืเ่อเย็นก็มีบินมาไฟฟ้าก็มีบินมาน้ำไปต่างๆก็มีบินมาก็ต้องจ่ายแต่ถ้าความสุขทางทางด้านทางธรรมะแล้วจ่ายไปก่อนอดทนไปก่อนสู้ไปก่อนลำบากไปก่อนเมื่อเราชินกับการลำบากแล้วต่อไปความลำบากก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความลาบากอีกต่อไป เมื่อเราเคยชินกับความทุกข์ยากคือความเจ็บปวดทางด้านร่างกายที่เกิดจากการนั่งนานหรือจากการเดินจงกรมนานๆมันกลายเป็นนิ ส, สัยไปมันก็กลายเป็นความสุขไปวันไหนไม่ได้นั่งนานๆไม่ได้เดินจงกรมแล้วรู้สึกว่ามันขาดอาหารขาดขาดอะไรไปเหมือนกับคนที่เคยกินของเผ็ดๆเวลาวันไหนไม่ได้กินของเผ็ดเรารู้สึกว่าอาหารจะไม่มีรสมีชาต อันใดความทุกข์ที่เกิดจากจากการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับของเผ็ดๆที่เรารับประทานถ้าเราไม่เคยรับประทานของเผ็ดนี่เวลารับประทานครั้งแรกจะรู้สึกทรมานมากพริกนี่มันจะเผ็ดร้อนทีเดียวแต่ถ้าเรารับประทานไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความชินขึ้นมาแล้วพอวันไหนไม่ได้รับประทานของเผ็ดก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนั้นจึงอยาก ยังอย่าไปกลัวความทุกข์ที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากความความทุกข์ความยากลำบากที่เกิดจากการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการทำดีให้ทานหรือการรักษาศีลหรือการปฏิบัติธรรมที่จะต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่กลายความเจริญไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ปาประปาอากน้ำก็ต้องไปยืวน้ำที่บอ่อ จะใช้ไฟก็ต้องจุดเทียนใช้ไฟใช้อย่างนี้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคคิดแต่ว่ามันเป็นการลงทุนลงทุนเพื่อเราที่จะได้ผลอันเลิศอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์กษัตริทั้งหลายท่านได้รับกันมามันคุ้มค่าเมื่อเราได้รับผลแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อเล้าต่างๆมันจะหายไปเหมือนกับการเดิน<ม>ทาง ที่มีระยะทางที่ไกลที่เราต้องเดินไปต้องแบกข้าวแบกของไปดําเนื่อยมันทรมานแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเหนื่อยทั้งหลายมันก็หายไปหมดมีแต่ความอิ่มหนาสำําราญใจมีแต่ความสุขใจอยู่ตลอดเวลาดีกว่ความสุขแบบที่พวกเรามีกันในวันนี้แต่เรามีแต่ความกังวลรอเราอยู่ในวันข้างหน้า ว่าสังขางรร่างกายดังที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดแล้วถ้าเรายังไม่ได้พิจารณาหรือปฏิบัติเพื่อที่จะเตรียมรับกับสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่อสู้กับมัน มีแต่ความวุ่นวายความโกลาหลที่จะตามมาแต่ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติต่อสู้กับความทุกข์กับความยากเราจะรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับมันได้เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราก็ได้เผชิญกับมันแล้วเหมือนกับเราได้ซ้มรบไปแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ศัตรูท่าศึกเขาจะบุกมาบุกรุกเข้ามาเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้แล้วก็ผ่านไปได้เรื่องความแก่ความเจ็บคามตายมันเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใจเพียงแต่ใจจะต้องต้องสัมผัสรับรู้กับมันเท่านั้นเองใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วย แฝ่ใจกับเป็นตัววุ่นวายเป็นตัวกังวลมากกว่าตัวร่างกายร่างกายมันกังวลไม่เป็นเพราะมันไม่มีธรรมชาตินี้มันกังวลดินน้ำลมไฟมันไม่มีมันไม่มีความกังวลอยู่ในตัวของมันตัดผมไปผมมันก็ไม่ได้ร้องผมร้องไห้แต่ใจมันเป็นตัวร้องผมร้องไห้ต่างหากถ้าเรายังยึดติดกับทรงผมเราอยู่เกิดใครมาตัดไปยังไม่ทันไม่เจ็บไม่ปวดเลยทางร่างกายแม้แต่นิดเดียว แต่จิตใจนี้กับเจ็บปวดแสนทรมานเพราะต้องเสียทรงผมที่แสนจะรักแสนจะชอบไปเพราะใจเราไปหลงไปยึดติดอยู่กับมันนั่นเองจึงคิดว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับกายแล้วมันเกิดขึ้นกับใจไปด้วยแต่ใจนี้มันไม่ใช่กายใจกับกายนั้นหมือนคนละส่วนกันถ้าเราปฏิบัติภาวนาเราจะเห็น เวลาที่จิตมันแยกออกจากกายเวลาที่สงบนี้จิตมันจะปล่อยวางร่างกายมันจะปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและ้วมันก็จะรวมตัวเป็นสมาธิเป็นหนึ่งที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้อยู่ร่างกายต้งนั้นก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกหรืออาจจะรู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปท่านั้นเอง ใจมันก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มันยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแตกต่างกันตรงที่ใจที่รู้กับใจที่หลงเท่านั้นเองใจที่รู้ก็จะเฉยเฉยไม่ได้ไปวิตกไม่ได้ไปกังวลกับมันแต่ใจที่ไม่รู้ก็จะวุ่นวายเวลาเวลาหมอบอกว่าจะต้องตายนะเลยสามเดือนยังไม่ทันตายเลยเพียงแต่ได้ยินคําพูดแค่นี้ก็ ใจนี้แทบจะสลายตายไปก่อนแนละ้วทั้งทั้งที่ใจก็ไม่ใช่เป็นเสียงที่ตายไปเสียงที่ตายไปก็เพียงแต่เป็นร่างกายซึ่งก็เป็นเหมือนกับละลาหลังนี้ที่เรานั่งอย่างนี้มันก็เป็นเป็นธรรมชาติอันเดียวกันมันเป็นวัตถุเหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันทันะ้งเวลาตะลาหลังนี้มันพังไปมันก็เราใจของเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับมัน เพราะเราไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของศาลาหลังนี้เป็นที่สร้างขึ้นมากับมือเองเมื่อเห็นศาลาหลังนี้ต้องถูกพังทลายไปก็จะมีความเสียใจยอยู่ในใจเพราะมีความผุกพันกันอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแล้วเราจะสามารถตัดอุ ป, ปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความหลงได้ ปุพทานนี้เกิดจากความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่เกิดจากอวิชชาทาให้ปูนแต่งปูนว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแต่ได้ภาวนาแล้วเจริญปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นอนัตตา เป็นอนิจจาถ้าไปยึดไปติดมันก็จะเป็นทุกข์ขังมันก็จะทําให้เรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจดังนั้นการบาเพ็ญภาวนานี้ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ได้ยอ่อที่ได้พูดถึงในเบื้องต้นว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่ก็คือเรากําลังภาวนากันอยู่หรือเปล่า เรากำลังเจริญสมาธิกำลังเจริญปัญญากันอยู่หรือเปล่าพิจารณารูปว่าเป็นอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นเกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับร่างกายก็ยจะเบาบางลงไปถ้าเราพิจารณาจนเห็นชัดเจนแล้วจน ปล่อยวางได้มันก็จะไม่มีความกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปแต่ถ้าไม่ได้พิจรารณาเลยเพียงแต่ฟังอย่างวันนี้ฟังแล้วพอมันไปจากที่นี้มันก็ลือนไปเหมือนกับว่าได้เห็นภาพชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่สร้างภาพนั้นให้มันติดตาติดใจไว้ตลอดเวลาพอถึงเวลาจะนึกถึงภาพนั้นอีกนึกไม่ออกเหมือนกับเคยเห็นหน้าใครเพียงแวบเดียว พอนึกถึงคนนั้นอีกก็นึกไม่ออกว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรเพราะเราไม่นึกอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเรานึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความเป็นอนิจจาคงความไม่เที่ยงพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นไม่มีตัวไม่มีตนแล้วแล้วก็ต่อไปมันก็จะ <c oughs> มันก็จะเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นชัดอยู่ตลอดเวลามันก็จะมันก็จะไม่ลุ่มไม่หลง มันรูมน้มันมีสัมมาธิฐิคือความเห็นที่ถูกต้องมันก็ปล่อยวางได้ตลอดเวลาอะไรจะเป็นอะไรร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่เราก็ดูแลมันไปเท่าที่เราจะสามารถดูแลได้ถ้ายัางรักษาลูกภ่านค่ายเก็บได้ก็รักษาไปแต่เราจะรักษาใจเป็นหลักไว้ก่อนคือใจต้องนิ่งใจต้องสงบใจต้องไม่วุ่นวาย แล้วเรื่องของการรักษาค่อยมาที่สองรักษาใจก่อนแล้วรักษากายทีหลังถ้าใจดีแล้วกายมันจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรเพราะกายมันรักษายางไงในที่สุดมันก็รักษาไม่ได้มันต้องทิ้งไปอยู่ยดีในที่สุดต่อให้มีหมอที่วิเศษขนาดไหนต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านเงินทองเหล่านี้ก็รักษาร่างกายนี้ไปไม่ตลอดสัวกวันหนึ่งมันต้องไป แต่เศรษฐีนั่นมันจะวุ่นวายใจเพราะไม่เคยรักษาใจมาก่อนไม่รู้จักวิธีรักษาใจใจจะทรมานมากเวลาที่จะต้องเห็นร่างกายนี้แตกดับไปแต่ผู้ที่ได้บาเพ็ญอย่างต่อเ น, นื่องอย่างพวกอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายแล้ ว, วก็จะรู้สึกเฉยๆต่ อ, อการการเป็นการตายของร่างกายพอรู้อยู่แล้วพอปล่อยไปแล้ว มันจะเป็นยังไงก็พร้อมที่จะรับกับมันได้ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคนที่ยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายหะเพื่อดูรูปเสียงกิ่นดโผดทะพะนุน่ะจะวุ่นวายเพราะต้องอาศัยร่างกายเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้ไปเที่ยวแต่คนที่เขาภาวนาเป็นเขาเที่ยวเขาเที่ยวด้วยจิตเราหลับตามันก็ไปได้เหมือนกัน ไปสบายกว่าไม่ต้องไปทำพาสปอร์ตไม่ต้องไปซื้อตั๋วหรืบินไม่ต้องไปเบียดเสียดกับคนย่างขึ้นระบินกันไปอย่างสบายไปทั้งไปได้ทั้งสามโลกเลยที่เรียกว่าโลกแห่งการยินไหว้าาตายเกิดนี้ไปได้หมดของจิต ท, ที่ภาวนาวเปนแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษมีอยู่กับเราแท้ๆอยู่ในตัวเราคือใจของเราแล้วกับ ไม่ดูแลไม่นยูแลเหมือนกับเป็นภรรยาน้อยหรือภรรยาหลวงก็สุดแท้แต่บางคนไม่ดูแลภรรยาหลวงก็ดูแลภรรยาน้อยก็เหมือนกันคือไม่ให้ความสําคัญกับใจของเราแต่กลับให้ความสําคัญกับกายซสมากกว่ากายมันมีแต่จะชำรุดซุดซนไปเรื่อยๆแล้วนอกจากกายแล้ ว, ลวยังไปไปผวองไปให้ความสําคัญกับกายของคนอื่นด้วย คนอื่นเขาจะเป็นอะไรก็ เ, เราก็จะเป็นจะตายไปกับเขาอีกนี่คือความบ้าของเราความหลงของเราแทนี่จะมาดูแลรัลกษาใจเพื่อไม่ให้ใจมันต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆกับไม่มาดูแลโวัวแต่ไปดูแลเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเขาเวลาเขาเป็นอะไรเขาตายจากไปเขาร้องผมร้องให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นเรื่องของอวิชาทั้งนั้น ที่ได้เอาวิาชาปัญญาทางฌานถ้าฟังเทศฟังธรรมศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติภาวนาให้ได้ทำจิตแท้สงบเจริญปัญญาพิจารณาไตารักอนิจังทุกขานาตาแล้วต่อไปมันจะหดเข้ามาจิตมันจะหดเข้าท้างในมันไม่ค่อยอยากจะไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งหลายเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มาแต่ดั้งเดิมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย อยู่อย่างนี้มาอยู่ตลอดเลยเราไปยุ่งกับมันเองนะครับพอเราไปยุ่งไปหองเราก็ไปอยากจะให้มันเป็นตรงกันข้ามกับที่มันเป็นอยู่อยากจะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไ ม, ม pt, ไม่ให้มันตายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความบ้าแท้ๆถ้าพูดตามภาษาธรรมะแล้วมัเป็นความบ้าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นขหน่อยแต่เราก็ยังอดที่จะคิดที่จะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ เนี่ยคิดดูว่าแล้กันว่าความโง่เขาเรามันขนาดไหนแต่เราไม่เคยคิดกันเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ถูกที่ดีที่ควรเวลามีอะไรโอ้รีบพยายามแก้กันแทบเป็นแทบตายลุ้นกันแทบเป็นแทบตายอย่างที่เป็นข่าวเมื่อวันนี้เมื่อวานวานี้มีปาวานหลงขึ้นไปทางในลําน้ําขึ้นไปทางกรุงลอนดอนแถวกรุงลอนดอนก็เป็นห่วงเป็นยายกับไอปลาวานตัว น, นั้น พยายามที่จะช่วยมันให้มันกลับไปสู่ทะเลรู้สึกว่เข้าไปเอาเครนยกมันขึ้นมาจะเอาสายเรือแล้วก็จะลากมันจะพามันออกไปกลางทะเลแต่มันก็ตายไปแล้วเพราะว่ามันมันหลงมันมันหลงทางมันจากมันเคยอยู่แต่ในในมหาสมุทรที่ลึกที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันไปหลงติดอยู่ในลําน้ำเหมือนกับเข้ามาในลําน้ําแม่น้ําเจ้าพยาเข้ามาในกรุงเทพนี้มันหาทางออกไม่ได้ มันก็เครียดจัดเครียดทุกจัดกระทั่งมันไม่มีกำลังใจงที่จะอยู่ต่อไปก็ตายเพราะว่าพอเขาจะยกมันออกไปยกใส่เรือแล้วจะเอาเอาไปปล่อยกลางทะเลมันก็ตายซะก่อนคนทั้งประเทศอังกฤษเขาก็รุนกันใหญ่การช่วยเหลือก็เปล่าวนตัวนี้นึ่งมันก็ มันจะว่าไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่ถูกมนะมันก็ความเมตตาคือเขาก็มีความห่วงใยงอยากจะให้แต่ความเมตตามันก็ต้องมีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยจะต้องมีปัญญาด้วยือจะต้องมีคล้ายๆว่าต้องยอมรับว่ามันอาจจะได้อาจจะช่วยเขาได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้ก็ไม่แน่เพราะความไม่เที่ยงแค่แน่นอนในความตายยังไงยังไงมันก็รอเจ้าปาวางตอนนั้นอยู่ ันเองก็เหมือนกันเวลาใครเป็นอะไรเราก็รุ้นกันเต็มที่ช่วยกันเต็มที่ก็ได้ก็ช่วยกันได้แต่ใจอย่าไปวุ่นวายกัไมันอย่าไปได้ก็เสียกับมันถ้าแก้ได้ก็ไม่ต้องไปดีใจก็รู้ว่ามันก็ผ่านไปอีกยกหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกยกหนึ่งรอเราอยู่นั่นแหละถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรก็ถือว่ามันถึงเวลาที่มันจะ เอาภาษาหนังมันจะจบก็ต้องให้มันจบไปตามเรื่องของมันถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจยก็จะไม่ทุกข์ทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมาโทษกันทีหลังคนที่ช่วยกันแล้วเกิดช่วยกันไม่ได้บางทีต้องมาโทษกันทีหลังมาว่ามาต่อว่าต่อขานกันว่าเพราะคุณแท้ๆที่ทาให้เขาตายอย่างนี้เป็นต้น เพรฉะนั้นก็ขอให้เราใช้เวลาที่มีค่างี้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดเพราะชีวิตของเรานั้นมันก็ เ, เหมือนกับเทียนที่เริ่มเมื่อเราเริ่มจุดมาแล้วมันก็มีแต่จะไหม้ไปเรื่อยๆต้นเทียนมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดมันก็หมดเนื้อเทียนก็หมดเวลาที่มีแสงสว่างของเทียนอยู่นี้เราเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ ชีวิตของเรามันทําให้ได้ทั้งเกิดประโยชน์ก็ได้เกิดโทษก็ได้อยู่ที่เราถ้าเราไม่รู้ว่าประโยชน์เป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาธรรมะให้มากๆพยายามไปวัดอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะฟังเทศคทรั้งหนึ่งหรือในสมัยนี้เรามีสื่อที่ใกล้ชิดกับเราควรจะฟังทุกวันนึยก่อนจะออกไปทํางานตอนเช้าตื่นขึน้นมาก็ฟังเทศสักครัหนึ่งก่อนนั่งสมาธิไปในตัว เราจะได้มีคติเตือนใจเราจะได้ไม่รุ่มหนงกับการไปทำงานทาการไปวุ่นวายกับการทำงานเวลาเราทำงานอาจจะทำอย่างสบายใจก็ได้ือทำให้ดีที่สุดได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ดีคือไม่วุ่นวายใจถ้าเราไม่มีธรรมะคอยเตือนใจแล้วเวลาจะทำงานบางทีก็ไปวุ่นวายกับการทำงา น, าางาน อ, าจจอาาีกถ้าทำแล้วไม่ได้ดังใจ งานการไม่เป็นไปาตามที่เราต้องการจะให้มันเป็นไปก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาวุ่นวายไม่จำเป็นเราทำไปทาได้เท่าไหร่ก็เท่านะั้นถ้าถึงเวลามันจะต้องตกงานก็ช่วยไม่ได้ก็อาจจะดีสิการตกงานนี่ถ้าเป็นคนกล้าหารก็จะได้ใช้เวลาที่ตกงานนี่มาปฏิบัติทำได้ เพราะอยู่จริงๆนี่ไม่ต้องใช้เงินมากหรอกอย่างที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังอาตมามีเงินอยู่หกพันบาทก็ตัดสินใจออกจากงานได้แล้วคิดว่าจะอยู่ได้อย่างน้อยปีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องทํางานกับเงินหกพันบาทนะั้นเพราะสมัยนั้นข้าวก็จานละสามบาทตเตี๋ยวก็ชามละสองบาทวันหนึ่งกินมื้อเดียวก็แค่ห้าบาทเท่าห้าบาทเดือนหนึ่งสามสิบวันก็ร้อยห้าสิบาทเนีค่าอาหาร ทําอยู่ปีนึงยังมีเงินเหลือตั้งสามพันแต่พอพอเป็นพอใช้กับซื้อเครื่องบริหารมาบวชได้พอดีเลยสามพันเพราะฉะนั้นเงินทองมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตสําหรับนะักปฏิบัติธรรมแต่ถ้าของกิเลสแล้วมันใหญ่โตมากกระเป๋าใบหนึ่งก็เป็นหมืน่นล้ะรองเท้าคู่หนึ่งก็เป็นหมืน่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งก็เป็นหมืน่นถ้าอลา ถ้ามีถ้ามีให้ใช้รับรองต้องซื้อแน่แนราคาเป็นอย่างนี้ซื้อไปทําไมนันก็เท่านั้นแหละเอาเงินทองนี่มาสร้างบุญสร้างกุศลดีวกว่าเจ็บไว้เราจะเจอวัตนตกงานเราจะได้ใช้เวลาที่ตกงานนี้มาภาวานาเก็บไว้สะสมไว้แล้วเวลาทํางานจะได้ไม่เครียด เวลาจะออกนี่ออกได้อย่างสง่าครับเวลาออกไม่ต้องให้เขาไล่ออกธรรมน์นี่ลาออกเลยแล้วของงานก็ถามว่าคุณต้องการเงินเดือนเพิ่มหรือพอไม่ใช่ละเราพอแล้วจ่ายบางทีเรามีรายได้เนี่ยมีการใช้จ่ายพ็ทุกคนก็พยายามดูเอ๊ะตรงกลางที่เราใช้อัตราค่าขเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ย คนมีรายได้น้อยเขาก็บอกว่าใช้แค่นี้พอแต่คนมีรายได้เขาก็บอกแค่นี้พ อ, ะอ ừ, นะฮะมันก็ อ, อ, อาจจะไม่เท่ากันหรือความการเป็นลงชีพแบบสายกลางแต่ละคนคือถ้าความจริงแล้วมันเท่ากันเพราะกินมันเท่ากันครับเพียงแต่ว่าเราก็อ้างว่าเรามีเงินมากเราก็อยากจะกินของแพงหน่อยแ ต, ừ, แต่อย่างที่อยากจะมาพูดเลยว่าถ้าเราใช้น้อยเราก็จะมีเงินเหลือเยอะ แล้วเราจะมีอำนาจต่อรองกับชีวิตเยอะเราจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องการถูกไล่ออกจากงานหรือเรื่องเศษษษษษษษษรษฐกิจตกต่ำห ร, รืรออะไรทรั้งสิ้นเวลามันตกต่ำแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรามีเงินสำรองอยู่แล้วเราก็ไม่ใช้มากคือต้องใช้แบบมักน้อยจริงๆตามหลักธรรมแล้วมันต้องมักน้อยมักน้อยของพระก็วานากันละมืม้อกรรมพระกรรมฐานที่ชั้นฉันวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วคารวะถ้าไม่ทำงานกินวันละมื้อก็อยู่ได้ แล้วกินอาหารที่มันถูกที่สุดนี่ะอาหารถูกไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารเลวนะของทุกอย่างมันก็มาจากตลาดเหมือนกันเนี่ยมันมาแพงตอนที่เขาเอามาขายเท่นั้นเองถ้าขายข้างถนนมันก็ราคาหนึ่งถ้าขายในห้องแอร์มันก็อีกระคาหนึ่งแต่อาหารมันก็ชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเสียเงินไปกับความหรูหราความฟุ้งเฟ้อความฟุ้งเฟ้อ เราประหยัดได้เยอะเราทํากับข้าวเองก็ได้ซื้อข้าวมาหุงเองทอดไข่กินก็อยู่ได้แล้วนี้หนึ่งผ่านไปอ๋อค่ะคุณอาจารย์จะเดีนถามผ้าจานเมื่อกิ้พระครูพราสามารถฝึกสมาธิเพื่อจะไปท่องเที่ยวได้ถึงสามโลก น, นั่ย <c oughs> ความหมายหมคาครับว่าเป็นการส่งจิตออกห ร, อหรือว่าหลักในการพิจารณาด้วยความประสงค์จิตเข้าตัวเองพิจารณาตรงเท่ ใช่คือครับเวลาภาวนาเพื่อให้มรรคให้ผลนี้ก็ต้องให้จิตอยู่ภายในให้จิตสงบให้นิ่งและเมื่อจิตออกจากความสงบนิ่งก็ให้พิจารณาตายรักให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารยินยังแต่แม้ถึงเวลาที่มันว่างเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับวิปัสสนาถ้าจิตของบางท่านมีมีบารมีก็สามารถที่จะไป เยี่ยมสวรรค์อย่างพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมโยมมันดาพิทธมันดาปิตากับเทวดาอย่างนี้นปุูมั่นมีเทวดามามากราบมามาสนทนาธรรมนี่คือการพูดเปรียบคล้อยว่าจิตมันสามารถไปได้หมดในในโลกในโลกที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละแต่เวลาภาวนาปฏิบัติเพื่อเพื่อมรรคเพื่อผลแล้วก็ไม่ไปไม่ควรไปด้วยก็มันจะหลง จะเสียเวลาเวลาภาวานาะเบื้องต้นแล้วเกิดมีเทวดามาพบหรือเกิดจิตมันไปเที่ยวนระกเที่ยวสวรรค์อย่างนี้ก็อย่าดึนอย่าปล่อยมันไปหรือถ้าไปก็ไปเพียงครั้งแรกครังเดียวก็พอให้ได้สัมผัสให้รู้ว่ามันมีอยู่นะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นงานไม่ใช่เป็นสถานที่เราควรจะไปเราควรที่จะไปที่ร่างกายในเบื้องต้นพิจารณาดูให้เห็นอาการสาบส ความไม่สวยไม่งามให้เห็นความเป็นซากศพ ข, ของร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายพิจารณาจนกระทั่งปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดไม่กังวลกับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือที่จะต้องไปสําหรับเวลาภาวนาะเพื่อมรักเพื่อผลเวลาที่มันไม่มีงานจะต้องทําแล้วมันก็อยากจะไปเที่ยวหนอยก็ไปได้ไม่มีใครข้อห้ามมันไม่เป็นโทษ ด, ด้วยสําหรับจิตแบบนั้น เพจิตไม่ได้ไปแบบนุ่มหลงไม่ได้ไม่ได้ไปเพราะความอยากจะไปหรือความผูกพันกับการจะไปไปก็เมื่อมันไม่มีไม่รู้จะทําอะไรว่างๆก็ปล่ข อ, ขอยจิตไปให้มันไปบ้างก็ไม่มีไม่ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ต้องเสร็จงานก่อน mm hmm. มล้วเราต้องทํางานพรเราให้เสร็จิตเราไปไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยงานไว้งานก็รอเราอยู่กองไว้บนโต๊ะนี้ท่านหมายถึง ไ, ไปเที่ยวด้วยจิตเราเองใช่ไหมคะ แล้วไปเห็นประเทศตื่นประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ไปงั้ก็เราเ็นก็เราไปก็เราก็แล้วแต่นี่มันอาจจะมาก็ไม่ก็แล้วแต่เอแล้วเราลองอาไปลองไปทํำดูก็แล้วกันประเทศเจนบอกว่าการงานตัวเองต้องเสร็จก่อนถึงจะไปไม่งั้นไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่ขูดควบกลุมไม่ได้อะไรอย่างก็ต่างที่พระอาหารท่านพูดแล้วว่าวุติตจังความมัจเจลายังเกิดในความมัจจานี้ได้เสร็จ แต่ซึ่งสุดแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำตีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการเป็นการทำงานเพื่อผู้อื่นท่านนั้นเช่นสั<ม>่งสอนอบรมหรือเวลาเข้าสมาธิาพักษิตหรือจะเอาจิตไปท่องเที่ยวบนสวรรค์นรกบ้าง<ม>ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องของแถมไปไม่เสียหายอะไรจิตบางท่านท่านสามารถไปได้แต่ไม่ได้มาควาว่าิตของคนทุกคนที่ภาวนาเป็น จะมีนิ ส, สัยแบบนั้นจิต บ, บางช mm. นิดก็ไม่มีนิ ส, สัยที่จะไปก็ไม่ไปแต่ถ้าไม่ไปท่านก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ปัญญามันก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันไปไหนมันก็มีรูปเสียงกลิ่ น, นรสโผฏฐาภะทั้นั้นน่ะนก็มีรูปรูปหยาดหรือรูปทิพย์นั่นเองรูปทิพย์ก็เป็น ส, สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาอยากจะอยู่ใกล้กับคนสวยขนาดไหนคนหล่อที่ไหนเราหลับตามมันก็มันก็โผล่ขึ้นมาในใจเราแล้ว ใชก็กรณีที่มาเราเกิดมาเราอาจจะทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเนี่ยนะคะตอนช่วงที่เราจะดับเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราได้สมาธิเนี่ยไม่แปลว่าเราจะไปครบคลุมที่ดีเลยคลายพักชั้นไปเลยอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับไม่แน่หรือเรา<ม>ต้อง ม, มีบาดใช้กรรมก่อนถ้าเป็นผ้าระยะขึ้นไปมันจะไปที่ดีโดยถ่ายเดียวแต่ถ้ายังถ้ายังเป็นขั้นสมาธินี้ไม่แน่ เพราะว่าสมาธินี้มันไม่ใช่เป็นโลกุตละธรรมสมาธิมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถาวรไม่เหมือนกับปัญญาปัญญาถ้ามันมีอยู่ติดกับใจแล้วมันจะป้องกันใจไม่ให้ไปสู่ที่ต่างได้อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ท่านจะไม่ไปเกิดในอบายต่อไปถึงแม้ท่านจะเคยทําบาปทํากรรมมาในอดีตเรายังไม่ได้ใช้ใช้กรรมของบาปที่ตอนนีงได้ทําไว้ ไอกรรมเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจที่จะส่งให้ท่านไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าเป็นเพียงสมาธิอย่างเช่นพระเทวทัศน์นท่านได้มีสมาธิและท่านมีฤทธิเดชแต่ถ้าไม่ได้เป็นพระสวด า, บา์บังท่านไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลท่านเมื่อไปทําบาปทํทกากรรมเวลาท่านตายไปก็ต้องไปตกนรกก่อนอมสมาธิจึงไม่ใช่เป็นตัวที่จะาการันตีตัวค่าๆว่าประกัน อาจจะไม่ต้องไปเกิดในอบายต้องเป็นโลกุตรธรรมคือต้องเป็นขั้นปัญญาขั้นขั้นแรกคือขั้นของพระโสดาบันยังก็พระมีพระอยู่รูปที่ท่านเสด็ก่อนที่ท่านจะตายท่านท่านมีความผูกพันกับจีวรอยู่พู้นหนึ่งพอท่านตายท่านกลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรอยู่เจ็ดวันแสดงว่าท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระอะไรนะบุคคล ถ้าจิตท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่าไม่ไปเกิดเป็นตัวเลนเป็นสาริท่านจะต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวเพื่อเป็นเทพแล้วก็ต้องบรรลุธรรมภายในเจชาติเท่านั้นเองแต่ถ้าได้สมาธินี้ยังไม่มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้นยังไปเกิดในอาบายได้ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกร้อยแสนชาติก็ได้อย่างครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปที่ได้บรรลุฌานรูปฌานกับอรูปฌานเมื่อท่าน มาหน้าภาพไปแล้วท่านก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นขมมาโลกชั้นรูปรูปรโลกอาลูปโลกแต่หลังจากนั้นแล้วสมาธินั้ น, มนเมื่อมันเสื่อมมันหมดกําลังมันก็ติด ก, ก็ะย่าหยาบลงก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพกับลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลหรือต้องมาใช้เวรใช้กรรมที่เคยทํำไว้ต่อไปแต่ถ้าได้เจริญปัญญาเห็นเห็นตายรักในในขันห้า ว่าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างพระโสดาบันท่านจะละสกายะทิฐิคือเห็นว่าขันหานี้ไม่มีตัวไม่มีตนได้ท่านก็จะปล่อยวางไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับขันนี้ต่อไปมันต่างกันตรงนั้นคือตรงที่ปัญญาตัวปัญญานี้เป็นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเองก่อนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นั้น นักปฏิบัตินี่เขาครบแล้วคือทานศีกับสมาธิแต่ทานศีกับสมาธินี้ไม่ทําให้หลุดจากการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะไม่ได้ไปทำลายกิเลสคือเอาวิชาได้นั่นเองตัวที่จะทำลายกิเลสเอาวิชาได้ก็คือตัวปัญญาก็คือไตรักษ์นี่ถ้าเห็นความไม่เพี่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในขันห้านะก็จะปล่อยวางได้ เมื่อปล่อยวางแล้วก็จะไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่หวนกลับไปหาสิ่ง น, นั้นอีกองหมนถ้าผ้าองค์นั้นท่านเห็นถ้าเห็นมีตายรักท่านก็จะไม่เสียดายกับจีวารถืนนั้นท่านก็จะตายแล้วก็ไปเลยไปข้างหน้าไปหาเอาข้างหน้าก็ได้ <c oughs> ถ้ายังจําเป็นจะต้องมี ม, มีมีรูปมีร่างมีเสื้อผ้าใส่ก็ไปหาลันข้างหน้า แต่เื้นที่มีอยู่แล้วมันจะดีจะวิเศษขนาดไหนก็ไม่ยึดไม่ติดกับมันถึงเวลาจากกันก็จากกันไปเลยไปแล้วไม่เหลียวหลังแต่คนที่ไม่มีปัญญานี้ยังจะเป็นคนที่ชอบเหลียวหลังอยู่ชอบคิดถึงของดีๆของวิเศษที่ตัวเองมีอยู่คนบางคนยึงกลับมาเกิดในบ้านของตัวเองอย่างเศษฐีที่ฝังเงินไว้ในในขุดลุงขุดลุงฝังเงินไว้เวลาตายก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเอง ว่ยังมีความผูกพันกับเงินทองของตัวเองเพรนั้นจึงควรพย า, ายามเจริญใจรักให้มากๆจะอนุจังทุกขรั้งนับตาเพื่อจะได้ตัดมันค mm hmm. ขยิงถ้ามีคนสอนแล้วมันไม่ยากหรอกเมื่อก่อนไม่มีคนสอนก็เลยไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ได้ทํากันก็มัวแต่ติดกับสิ่งนั้นติอยู่กับสิ่งนี้ไป แ, แต่พอมีคนมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมครั้งแรกพระ อั น, น, ก น, นยกนธัญะแท่งก็ปล่อยวางขันได้ประมาณรู้เป็นพัสดาบาัชนยาได้ทันที้วม่าที่ผมอ ท, ที่ได้ถึงว่าขันชายาตังท ย, ยาหคือมันเปนเน็นเหมือนกับลูกโซ่ที่มันต่อเนื่องกันเน่คือการทำ ง, งานของของนามกับขันมันเป็นอย่างนี้ ว่มีมีความความเห็นอย่างหนึ่งมันก็ความเห็นนี้มันก็กระตุ้นให้เกิดความคิดขึ้นมาเช่นเราเราเห็นว่าการทําบุญดีก็เกิดความคิดว่าเราไปทําบุญกันดีกว่านี่ก็เป็นสังขารละความคิดกลวงขึ้นมาแล้วมันก็รับทราบในใจของเราตัวรับทราบนี้ก็คือตัววิญญาณแล้วมันก็ส่งออกมาทางนามปะขะคันก็คือรูปรูปก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เราก็ เอารูปนี้มาทําทําจิจที่เราต้องทําคือมาทํำบุญกันเมื่อทําแล้วก็เกิดเวทนาคือความสุขเมื่อเกิดความสุขก็เกิดความชอบกับการกระทำนั้ก็เกิดการการถูกพันที่จะทําอย่างนี้ก็เกิดก็เป็นเป็นพพเป็นชาติคำว่าพพชาติก็คือการกระทําใหม่เหมือนเดิมอีกก็มาทำบุญคราวนี้แล้วพอใจคราวหน้าก็ก็จะคิดทําอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนกัน เรามาเกิดในชาตินี้แล้วเราพอใจกับการอยู่ในชาตินี้พอเราตายไปเราก็อยากจะกลับมาเกิดอีกมันก็วนไปอย่างเนี้ที่นี้พูดแบบแบบรวมๆนะแต่ในนั้นท่านรู้สึกมีหลายขั้นรนะู้สึกว่าอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณ ป, ปัจจยานามกระลุบนามกระรูปก็ปัจจยาอายตนะอายตนะนะก็ปัจจยาสัมผัสมีสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง ก็เกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตันหาขึ้นมาเกิดตันหาก็เกิดอุปทานพอเห็นรูปเห็นรูปก็เกิดสุงเวทนาขึ้นมาก็เกิดตันหาอยากจะให้รูปนั้นอยู่ไปนานๆก็พยายามที่จะไปขวายฟ้าหารูปนั้นถ้ารูปรูปนั้นเสียไปก็หารูปใหม่มาแทนรถคันนี้เสียไปก็หารถคันใหม่มาแทนมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างครบทั้งชาติสร้างขึ้นมาใหม่ ท่านมันก็ไล่ไปอย่างเงี้ยอวิชมันที้มันอยู่ที่ตัวเริ่มต้นถ้าเป็นอวิชามันก็จะให้เราคิดไปในทางทางติดอยู่กับกามเวียนว่ายตายจกเราจะคิดอยู่กับเรื่องการมาสุขเรื่องลาบยศและเสื่อสุขแต่ถ้าเป็นทางธรรมะมันก็จะคิดไปทางทางสินภาวนามันก็จะตัดมันก็จะตัดสังขารอะไรไเรื่อยๆเพราะเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าสังขารนี่เป็นตัววุ่นวาย ยิ่คิดยิ่งปรุงก็ยิ่งวุ่นวายถ้าหยุดหยุดสังขารได้สบายสักแต่ว่ารู้อย่างนั้นดีที่สุดเวลาอยู่ที่ไหนเห็นอะไรก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งกับอะไรมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเห็นสักแต่ว่าไม่ไปคิดว่าดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้วิาพากวิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งเป็นงานของสังขารว่ามันวิาพากวิจารแต่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้างไม่พอใจบ้างก็เกิดตำหาขึ้นมา ที่จะต้องไปจัดการไปแก้ไขไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามีปัญญาก็ดูว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละไปทําไปแก้เปนยังไงเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอย่างนี้แก้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยๆแก้ไปจนวันตายก็ไม่หมดงานทางโลกมันทําไปเท่าไหร่ไม่ดีที่สิ้นสุดหรอกไม่เหมือนงานทางธรรมงานทางธรรมก็คือรู้ทันว่าเราไปหลงกับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ หยุดไปวุ่นวายกับมันได้แล้วดูแลรักษาใจของเราให้สงบไม่ไปปรุงไปแต่งแค่ น, นั้นแนหะก็เป็นธรรมะขึ้นมาเป็นวิชาปัจจะยาสังขาราเมื่อเมื่อมีธรรมะแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่คิดไปทางเรื่องวุ่นวายถ้ามันจะคิดมันก็จะคิดไปแต่ทางเรื่องที่ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้านี้ท่านมีแต่วิชาหรือธรรมะปัจยาสังขาราท่านก็คิดแต่ไปในเรื่องที่ดีเรื่องที่ธรร ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ทาแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเพราะท่านมีมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิคอยคุมไม่ให้เกิดเวลาสัมผัสกับเวทนาก็ไม่ให้ไปยินดีกับเวทนานั้นไม่ให้เกิดตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปท า, านความยึดติดอยู่กับสิ่งทั้งสที่ท่านทําจิตใจท่านถึงทําด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านไม่ได้ทําด้วยความติดกับสิ่งที่ท่านทำทำไปแล้วก็แล้วกันไป เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเท่านั้นเองคนอื่นจะพอใจวิ่งไห่จะขอบใจหรือไม่ท่านไม่ได้ไปสนใจไม่ไดเอามาคิดใช่ไหมเพื่อท่านพิจารณาด้วยธรรมแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แค่งมาทำไปเราจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับท่านวิพากษ์วิจาร์ไปมันก็วิมันก็เป็นความวิพากษ์วิจารของคนถูหนกตาบอดใครจะไปวิพากษ์วิจารณพระพุทธเจ้าพระพาลันได้ใช่ไ้มพระพาลันกับพระเจ้าด้วยกันทํำไ้วิพากษ์วิจารณกันเหรอ ก็มีแต่พวกคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราเท่านั้นที่เชอาไปวิาพากษ์วิจารณ์ครูบาอาจารย์กัน <c oughs> แล้วก็ตกนรกหมอกไหมโดยที่ไม่รู้ตัว <c oughs> จะติดใจว่าวุ่นขุ่นงัวกับการวิาพากษ์วิจาร์ของเราง <c oughs> ั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ต้องต้องปล่อยท่านออกไ ป, ไปท่านมีปัญญาท่านรู้อะไรหลายหลายมิติลึกกว่าเรากว้างกว่าเราเราบางทีมองเพียงจุดเดียวเท่านั้น คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สบายใจเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับท่านไม่ต้องไปห่วงท่านห่วงตัวเราเถิดท่านสอนเราไม่ไม่ใช่เราสอนท่านไม่ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลกับท่านท่านพร้อมท่านบริบูรณทุกอย่างอยู่แล้วท่านทำอะไรท่านไม่ได้ทําแบบหุนหันพันลร่นอย่างพวกเราท่านคิดโดยรอบครอบแล้วด้วยธรรมะด้วยธรรม พอจะเข้าใจนะเรื่องอวิชชาปฏิยาอาวิชชาคือความหลงส่วนธรรมะคือความรู้ถ้ามีธรรมะก็จะพาให้เราปรงแต่งไปในทางที่ดีเช่นชวนกันมาชวนกันมาทำบุญชวนกันไปภาวนายอย่างนี้เรียกว่าธรรมะพาไปถ้าชวนกันไปกินเหล้าเมาย า, านี่อวิชชาพาไปอวิชชาปฏิยาสังขาร อันนี้ดีไม่ก็มีปัญหาแลวหรือถามจนหมดละ่ถามลยสิ่วี่สิวิวไม่ถามเลยเนไงลูกดีขึ้นหมไมจิงไม่จะขอขอเปลี่ยนปัญหาใหม่เราดีขึ้นไหมลูกอย่าไปเออเออเหมือนเดกมใช่ลถูกแล้วแก้วแกถูกจุดแล้วเราแก้ที่ตัวเราก่อนเราแก้ที่เขาหลับใจได้เยอะเออ ถ้าแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนตัวเขาแต่เราแก้ตัวเราก่อนตัวเราเราแก้ได้แต่เราไม่ไม่ค่อยชอบแก้กันเท่าไหร่เราชอบไปแก้คนอื่นเราจรึงวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาเรียนแก้ตัวเราก่อนทําใจเราให้ให้ปล่อยวางให้ได้เมื่อเราปล่อยวางแล้วเวลาเราจะแก้มันจะแก้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้จักประมาณ แต่เวลาที่ยังปล่อยวางไม่ได้มันจะแก้ด้วยอารมณ์เราจะต้องแก้ให้ได้อย่างเดียวนั้นเอง <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้ก็วุ่นวายใจดังนั้นต้องแก้กตัวเราก่อนแก้ตัวเราแล้วไปแก้อย่างอื่นก็แก้แก้ไปเท่าที่เราจะแก้ได้ดงนั้นภาวนาให้มากนะอันนี้สําคัญมาก คือทานสินก็ทําไปเถิดมันก็มันทานมันก็ง่ายเราก็ซื้อท่าซื้อของเราก็ลอยจากไปลอยจากจเป็นเงินเป็นทองอะไรไปก็ได้สินเราก็รักษาอยู่แล้วเป็นพื้นๆสินห้าสินแปดแต่สิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาก็คือภาวนาเนี่ยเวลาภาวนานก็ไม่เลยนะครับว่าจะต้องไปอยู่ในห้องพระหรือไปอยู่ที่วัดถึงจะภาวน า, นานได้จริงเราภาวน า, นานได้ทุกเวลาการภาวน า, นานก็คือการดีสตินี่คนระับ ถ้าเรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายกับใจก็ถือว่าเรากําลังภาวนาอยู่แล้วถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเรานี่แหละอยู่กับกายกับใจอย่าไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนั้เรื่องนี้ถ้าไม่จําเป็นถ้าจําเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดไปให้มันเสร็จจับไปทีเดียวคิดเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไว้แล้วเราก็หันกลับมาดูกายกับใจก็ วันทั้งวันนี่เราจะมีมีกายกับใจเราที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาความคิดของเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องคอยประกบกันว่าคิดคิดไปในทางอาวิชชาและคิดไปในทางธรรมะถ้าคิดไปสร้างสร้างสมบัติสร้างข้าวของเงินทองนี่มันไปทางโลกแล้วเราต้องดึงมันกลับมาบอกเอาพอประมาณเอาเท่าที่จําเป็นเอาพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเอามาสร้างธรรมะดีกว่าไปภาวนาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้น ต้องคอยดึงมันให้กลับเข้ามาทําอะไรก็อยากไปยึดอยากไปติดทําไปให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมีนหน้าที่ทำอะไรก็ทําไปได้ผลบ้างน้อยเพียงไรดีหรือช่วยอย่างไรก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันทําไปแล้วก็มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปใหจใจเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะมคสสงัย่ ว่าเขาที่ไดราีลานาคะบางคก็อาจจะคิดว่าก็เน้นแต่ศีลภาวนาแต่ทางก็าออรนะคะมันต้องไปาเรือที่ดังคคือคือถ้าทานมันยังไม่ทำเต็มที่ศีลมันก็จะไม่ได้ผลคือคล้ายว่ามันมันมันสดับสนุนกัน จะทําได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลเพราะใจมันยังยึดติดอยู่กับเงินทองอยู่มันยังเสียดายยังมีความตันดียังมีควา ม, า ม, าามาเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันก็จะไปไม่ได้ไกลอยากจะออกบวชก็ออกไม่ได้ยังเสียดายสมบัติอยู่อย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่ไม่เคยให้ทานมาอย่างเป็นทวีสันดรนนี่มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์นี่จะออกบวชใ น, นอุญญาตเพราะมันจะต้อง คือทานก็ทําแต่ทําเพียงมีร้อยก็ทําักสิบบาทเนี้แต่ยังเก็บไว่เก้าสิบยังเสียดายอยู่ก็จะออกเงินไม่ได้แต่ถ้ามีร้อยเคยมีร้อยก็ให้ทั้งร้อยเล ย, เยมันก็ไม่เสียดายเพราะการภาวนาการรักษาตินี่มันมีอานิสสุงมากกว่าแต่เราแต่เวลาเราทํานี่เราอาจจะทําไม่ได้เต็มที่ตั้งเองเพราะใจของเรายัางยังมีความฝึก พันกับเงินทองอยู่ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้บังคับกันค น, บ า, คนบางคนก็คิดว่ามีเงินก็เก็บไว้ก็ได้เขาเขาเก็บไว้บางทีเขาก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีแล้วเมื่อสักวันสักวันวนึงพอจิตเขาได้ได้ธรรมะขึ้นมาเขาก็ควรเอามาใช้ทีหลังอยู่ดีอยู่บางทีจิตตอนนั้นยังห่วงอยู่ยังเสียดายอยู่เหมือนพระที่ยังเสียดายทีวรถึง น, นั้นอยู่ ตายไปก็กลับมาหางทรัพย์ของตัวเองคือมันจะไม่ได้อริยทรัพย์เราต้องตัดโลกกับโลกิยทรัพย์เราถึงจะได้อริยทรัพย์เพราะเมื่อเราเห็นว่าเป็นโลกิยทรัพย์เป็นใจรักเป็นเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเป็นเป็นตัวที่ถูกมัดให้เราต้องเวียนว่าตายเกิดเราก็ต้องตัดมันเราก็ต้องปล่อยมัน <ME> <AN> เมื่อเราปล่อยมันแล้ ว, <S <S เ, รวเราตายไป <S <S เ ร, เรเาก็ไม่กลับมาหามือ ถ้าเรายังติดผูกมัดกรรมมนอยู่เดี๋ยวเรากลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านเรา <c oughs> ะ <c oughs> อะ <c oughs> อะ่ภาวนาแต่ยังไม่ถึงขั้นนี <c oughs> ภาวนาแบบเป็นรูปแต่ไม่ได้เป็นตัวตั ว, ต, วตัวภาวนาคือตัวเองคิดว่ากําลังภาวนากําลังรักษาิ่งอยู่แต่จใจยังยังผูกติดอยู่กับทรัพย์สมบัติท่อของเงินทองอยู่ยังไม่เข้าใจว่าการภาวนานี้ภาวนาเพื่ออะไร เพื่อตัดเพื่อปล่อยเพ่วางถ้าไม่ปล่อยไม่วางจิตมันก็ไม่เข้าสู่ความสงบแต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดภาวนาแล้วเผลอปล่อยวางได้สักชั่วงหนึ่งช่วงขณะ น, นึงก็จิตมันลวงเข้าสู่ความสงบพอ ม, มาถึงความสงบแล้วอเงินา น, า น, า น, า น, านั้นนั้นมันจะยกขึ้นก็เลยเปนหมดเลยเพอเวลาคิดถึงเงินทองมันจะมารบ ก, กวนความสงบของจิตใจมันไม่ต้องการอย่างสมัยที่อาจารยมาบวชใหม่ๆโยมก็มีที่ อยู่แปลงหนึ่งเขาใส่ในชื่อของเราใไห้ทีนี้ก็ต้องส่งส่งจดหมายมาให้เราเซ็นชื่ออยู่เรื่อยบางทีคนข้างที่เขาต้องวัดรางวัดอะไรเขาก็ต้องส่งจดหมายมาให้เราเซ็นชื่อเราก็เลยบอกว่าโอนไปเลยดีกว่าเพราะวุ่นวายทำไมมั น, มน <c oughs> เราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วอะเนี่ย <c oughs> มันก็มันถึงเวลามันก็ปล่อยไปเองเง ถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรหละก็ต่อเนื่องกันนะคะสรติว่าโอเคเรามีสมบัติเี่ยแล้วก็เอาเราให้ลูกหลานไปหมดเลยทําจิตถือว่าเป็นการปล่อยก็ปล่อยแหละเพียงแต่เราจะปล่อยแบบฉลาดเรื่องโง่น่ะเพราะบางทีเราก็ต้องมีไว้ส่วนหนึ่งไว้ดูแลตัวเราถ้าเราปล่อยไปหมดเดี๋ยวเกิดเราไม่มีกินเราจะทําอะไรถ้าเกิดลูกหลานเขาไม่เลี้ยงเราขึ้นมาหรือเอาเงินที่เราให้ไปถลุงกันหมดเนี้ยนี่ก็ คือต้องมีต้องมีไว้บ้างอะ่ะถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชนะถ้าเป็นนักบวชนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีภ้าวเหลืองนี่ก็มีสมบัติอันวิเศษนะมีข้าวกินทุกวันแต่ถ้ายังเป็นคาราวาสอยู่นี่ยังต้องหากินเองถ้าไม่มีเงินทองขึ้นมาจะจะทำยังไงก็ต้องมีไว้ส่วนหนึงไว้สาหรับดูแลเรื่องนี้แต่ไม่จาเป็นจะต้องมีมากมาย ให้กลายเป็นภาระนครับอยา่างหรือว่าเรายังมีคิดว่าเรายังอาจจะมีความจําเป็นจะต้องใช้มันอยู่ก็เก็บไว้ก็ได้แล้วถ้าเราใจเราไม่ไปสนใจกับมันหรือมีเงินก้อนนี้ก็อยู่ในธนาคารหรืออยู่ในที่ดินที่ตรไหนก็ปล่อยมันไปเหมือนกับไม่ไปประกังวันกับมันแล้วเราก็พอวนาไปรักษาศีลไปแต่พอสักวันหนึ่งพอจิตมันสงบข้าจริงๆแ ล, แล้วเราต้องมาคอย คอยดูแลมันอย่างเนี้ยต้องคอยมาเซ็นชื่อต้องคอยไปที่อำเภอไปทําไอ้ผิดต่างๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการทําจิตให้สงบแล้วมันก็จะลำคลานมันก็จะมันก็จะขายขายทิ้งไปหรือยกให้ขายไปจนจนไดนะ้เพราะไม่มีความจําเป็นกับเรานะ้ถ้าจิตเราเริ่มสงบแล้วเรารู้แล้วแล้วว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าในตัวเราเราจะเอาสิ่งนี้สิ่งเดียวก็คือการรักษา การทำจิตใจให้สงบมาถึงขั้นนั้นแล้วต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็ก็โอนให้คนอื่นได้หมดมันใจมันอยู่ที่ตัวเราอะถ้ามันทุกข์เราทุกข์กับมันมันก็บาปถ้าเราเล่นแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเสีย อ, อกเสียใจอย่างเงี้ยมันบาป้ว สร้างความทุกข์ให้กับเราคือมันจะว่าบาปก็ไม่จริงว่าคําว่าบาปนี้มันหมายถึงการไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่อันนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเราก็<ม>เรียกว่าเป็นอกุศลก็แล้วกันคือไม่ได้เป็นกุศลจะผิดจริงไหมคะ <c oughs> ก็ไม่ผิดนี่นไม่ผิดกฎหมายเหมือนกับเส้รอรีเหมือนกันไหมเสื้อโอทารีมันก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดจริง มันเป็นน้ำะเป็นอบายมุกแมันเป็นอบายมุทำมันน้ำซึ่งมาซึ่งความลลภมันอาจจะทำให้เราผิดสินต่อไปถ้าเราเล่นแบบแบบผักโขมเล่นแบบทุ่เทเอาเป็นยไตายพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมาโดยเงิงหมดที่อันนี้กันการให้ทานอาการของจิตที่ตกะวา มีอาการอะไรครับคำว่าผวังมันก็เหมือนกับมันมีคาว่าผวังนี่มันมีสองความ ห, หมายผวังหลับกับผวังสมาธิมีมอาการอะไรครับถ้าถ้าเป็นผวังหลับก็จะไม่มีสติก็จะไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปเหมือนคนที่หลับในนั่งขับรถไปแล้วก็หลับในอะไรอยงเง้ยนั่นก็ตกผวังหลับแต่ถ้าเป็นผวังสมาธิจิตมันก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่ง แต่มีสติรู้อยู่กับตัวหรือว่าเออขณะนี้จิตเราเบาหวิวสบายไม่คิดอะไรไม่คิดก็คิดน้อยมากอาี้ก็เรียกว่าเป็นผวังสมาธิคือคือความสงบนั่นแหละมีคําบางทีก็ใช้คํ า, าว่าผวังบางทีก็ใช้ใช้คําว่าสงบจิตรวมตัวนจิตเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนกัน<ม>คือเช่นเราบรากิกรรมพูดโัวพูดตัวไปแล้ว พอถึงจุดออกมาแล้วมันรวมลงตั้มเหมือนกับตกหนุมตกบ่อตกเหวเหมือนตอนเรานั่งเครื่องบินแล้วมันตกลุมอากาศมันรุบไปแล้วมันก็นิ่งเพียงแต่ว่าสติเรามีอยู่ครบ้วนบริบรณ์เหมือนกอนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาติดมันรุบลงไปก็ได้มันก็เป็นได้เหมือนกันบางทีเดินตรงกลมบางทีมันก็รวมลงได้ขณะที่เราเดินอยู่ถ้าจิตเราไม่ไปคิดอะไรแล้วมันไม่มีตัวดึงมันไปมันก็จะตกหลุ่มของผวังเนี้ย เขเนี่ยก็เป็นสมาธิขึ้นมาเดีถ้าเป็นอยู่ในี่ยแล้อะยังที่อาจารย์มันทายเนี่ยก็ปล่อยเดินไปอย่างนั้นไปเรื่อยอยู่ได้มันจิตกับกายมันไม่คละส่วนกันเดินไปมันก็ยังสงบอยู่มันก็สงบอยู่มันนั่งภาวนาไปรื่ได้อย่างเดียวกันมันคือเวลาจิตมันสงบแล้วมันมันมันก็จะสงบของมันร่างกายจะทำไรก็ยังทําได้อยู่ก็คือจิตเป็นสมาธินันเองใช่ไหครับใช่ คือแต่ว่าสมาธิมันมีหลายหลายระดับมีความลึกซึ้งนะบางต่างกันถ้าภาวนาไปมากๆแล้วมันจะคล้ายๆว่ามันมันจะลงลึกเราจะลงได้ในแค่จะหลายอิริยาบถแต่เรื่อต้นนั้นอาจจะต้องอาศัยท่านั่งเป็นหลักถึงจะรวมลงเพราะมันต้องการความความนิ่งจริงๆของกายเพื่อที่จะให้ใจมันสงบแต่เมื่อใจมีฐานของความสงบแล้วมันคือเดินจงกรมไปนี่มันก็รวมให้รวมให้เราได้ อ่างหปูชอบที่ท่านเดินจงกรมภาวนาตอลางคืนท่านก็ถือตะเกียงถือคมเดินไปทั้นชอบเดินเดินเดินที่ดงตอนกลางคืนท่านเดินไปท่านก็ภาวนาไปพุทโธพุทโธไ ป, ไปแล้วครั้งหนึ่งท่านเดินไปเจ้าเอกับเสือเสือลายท่าก่อนพอท่านทอจิตถึงเสือปับจิตนันก็รวมลงเลยเสือก็หายไปจากความนี้เป็นเนจิตเลยแล้วพอจิตทอออกมา ไอ้โคมไฟที่ท่านถืออยู่นี่เทียนที่จุดไว้เนี่ยมันไหม้เหมือดไงแต่ท่านก็ยังยืนถือโคมไฟอย่างนั้นอยู่แสดงว่ามันรวมลงเป็นเวลางานต่อสม่วรแต่ร่างกายก็เหมือนกับมันกลายเป็นหินไปงั้นมันก็ยืนอยู่ประมาณนั้จิตตอนนั้นปล่อยวางร่างกายจิตมันรวมลงไปอยู่ในริยาบทไหนมันก็อยู่อย่างนั้นเวลาจิตมันเห็นเสือมันตกใจ แต่มันมีสติคุมใจอยู่มันก็เลยไม่ไม่ตื่นถ้าไม่มีสติมันเห็นเสืองรกรามันก็จิตมันก็จะตื่นมันก็จะกระโดดมันจะกระโจนหนีแต่นี่มันหนีไม่ได้เพราะมีสติคุมอยู่มันก็เลยรวมรวมลงเข้าสู่ภายในมันก็เป็นมันก็เป็นภาวะอย่างเงี้ยเรีเป็นทวารเป็นจิตรวมเป็นสมาธิตเวลาเดินปฏิบัตินี่ คือม่งไ่ชอบเป็นจงกรมใช่ไค่ะต่นัาธิม่งไ่ข้าว <c oughs> ่าจะจทำใการปฏิบัติารนานาคือถ้าปฏิบัติอย่างยาดเยียมนี้ความจริงการเดินจงกรมบทีก็ยังไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ว่าเรายังปฏิบัติน้อยอยู่ที่ต้องเดินจงกรมกันนั้นหมายถึงพวกที่เขาปฏิบัติเป็นอาชีพอย่างพระนี่ปฏิบัติแบบทุกวันเนี่ยจะนั่งตลอดเวลานี้มันไม่ไหว ร่งการมันมันต้องเปลี่ยนอิเลียบท์ะนั้นถ้าเราจะเอาเอาเอาภาวนาแต่เฉพาะท่านั่งมันก็ไม่พอเพราะเราต้องเปลี่ยนอิเลียบท์ฉะนันเวลาที่เราเปลี่ยนอิเลยาบท์เราก็ยังเราก็ยังภาวนาต่อไปได้เราเคยบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในท่านั่งเราลุกขึ้นมาเดินแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปได้เหมือนกันคือใจนี่มันสามารถภาวนาได้ในทั้งสี่อิเลียบท แต่มีอริยบทท่านอนที่ไม่ควรจะทำเองเองเพราะว่ามันจะทำให้หลับง่ายแต่ถ้าถ้ายืนถ้าเดินถ้านั่งนี่สามารถเป็นใช้เป็นอริยบทสำหรับการภาวนาได้ถ้าต้องภาวนาทั้งวันอย่างนี้นั้แต่ตื่นขึ้นมาจะตั้งถึงหลับเนี่ยจะนั่งทั้งวันมันก็ไม่ไหวก็ต้องมีการเปลี่ยนอริยบทคือนั่งมากๆจยกระทั่งมันรู้สึกว่ามัน เจ็บปวดเมื่อยล้าไปทั้งร่างกายก็ต้องเปลี่ยนลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินก็อยากปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องเราสเปะสปะไม่ควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมจิตใจมันเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็มีมีมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ทราบอยู่ที่ไหนเคยได้ยินว่าท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธนี้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าท่านทํากิจอะไรท่านก็ไม่ห่างจากพุทโธ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาปั๊บท่านก็พุโทโธเลยแม้กรทั่งถึงเวลาหลับไปเลยเวลาจะนอนก็ภาวนาพุโทโธไปทั้งวันมีแต่คําว่าพุทธโทคืออาจจะอาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเมื่อมีความจําเป็นเช่นเวลาไปเจอคนนั้นคนนี้ต้องพูดต้องคุยกันเขาก็อาจจะวางพุโทโธไปสักระยะหนึ่งแต่พอไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็จะ กลับมาอยู่ที่พุทโธไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดล้างบาตเดินบินฑบาทหรือทําอะไรก็จะมีพุทโธอยู่ในใจต่องนี่ผมไม่ว่าถ้าเกิดเราภนาปฏิบัติธรรมจรงแค่มากไน้อยจะนั่งอย่างเดียเลยไม่ได้ดได้ถ้าเรานั่งได้เราเราภาวนาได้ผลก็นั่งไปก่อนก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเราเกิดไปมีวันเวลาว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงไหนที่เราไปอยู่ปฏิบัติที่วัด พอมีเวลาภาวนาอยู่มากถ้าเรานั่งอยู่นานๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเมื่อยล้าอยากจะเปลี่ยนในระยะเวล้วก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ภาวนาต่อจะได้ไม่เสียเวลาถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องรอเวลาเวลามานั่งทํานั้นถึงจะภาวนาได้ถ้าเวลาไม่นั่งเนี๋ยเราก็ปล่อยใจให้ไปคิดให้คลุ้งซ่างงานมันก็จะเดินหน้าถอยหลังไปอยู่เรื่อยๆไม่เดินหน้าไปตลอด เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาการภาวนาให้มันเดินหน้าไปอยู่เรื่อยๆีอย่อเราต้องภาวนาอยู่ในทุกอิเลยียบทถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิเลยียบทล้วก็ภาวนาต่อไปการเดินจงนลมนี่ก็จะใช้การบริกรรมพุทโธไปต่อไปก็ได้หรือถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมเราจะกําหนดดูเท้าเราก็ได้เช่นเดินไปเท้าซ้ายก้าวไปก็รู้อยู่ว่ากําลังก้าวเท้าซ้าย ขวาก็ขวาให้รู้อยู่กับการก้าวของเทา้าเหมือนกับทหารเดินอหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ให้อยู่กับการย่างก้าวก็ได้คือทํายังไงก็ได้ไม่ให้ใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปคิดแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมา ม, นมันก็จะไม่สงบแต่ถ้ามันอยู่กับการก้าวเท้าไปก้าวมาเดี๋ยวมันก็สงบกันในขนะที่เดินได้จิตมันจะ คำว่าสงบนี่มันมีหลายแบบนะไอ้สงบแบบหายไปเลยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สงบแบบที่เราเดินจงกรมนี้มันไม่หายหรอกคือกายก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่แต่ความรู้สึกภายในย์นี่มันพลิกไปจากที่มันมันมันเหมือนกับคลื่นมันก็สงบนิ่งได้มันมันจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยักพักเนี่ยจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยเราพิจารณาเลยได้ ในขณะในข่าที่นิ่งมันไม่คิดปุงอะไรก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดตอนนั้นให้มันนิ่งให้งานที่สุดเท่าที่จะนานได้เป็นการพักจิตเป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการให้พลังจิตรอจนกระทั่งจิตมันหายจากความนิ่งแล้วมันเริ่มคิดปรุงแล้วค่อยเอาความคิดปรุงนี้มาคิดเพราะเพาะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่มีกําลังเวลาเราไปคิดอะไรมันจะไม่มีกําลังที่จะทําตามความคิดนั้น แล้วเวลาทำํำควาว่าเวลาจิตสงบแล้วให้ออกวิจารณ์นี้ท่านหมายถึงให้มันหายใ ห, ให้หายจากความสงบก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาแต่ในขณะที่มันสงบมันนิ่งก็เหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับอย่าไปปลุกปล่อยให้เขานอนหลับให้พอเพราะถ้าเขานอนหลับไม่พอเราไปปลุกเขาขึ้นมาทํา ง, งานเขาจะหงุดหงิดเขาะจะไม่มีกําลังที่อยากจะทํางานแต่ถ้าเขาลับเต็มที่แล้วเขาตื่นขึ้นมาเองนะทีนี้ บอกให้เขาไปทําอะไรเขาก็จะไปทําได้เพราะเขามีกําลังวังชาได้พักอย่างเป็นที่แล้วการทําจิตให้สงบก็เป็นการพักจิตให้มีกําลังที่จะไปทํางานขั้นปัญญาอีกขั้นหนึ่งต่อไปแต่ในขณะที่พักอยู่ในความสงบนั้นอย่าเพิ่งเอาไปทําอะไรใทันทีถ้าเขานิ่งอยู่วงเขาเฉยๆงั้นอย่าไปยุ่งกับเขาอยากให้เขานิ่งไปตามอัคยาศัยจนกว่าเขาจะออกมาจากความนิ่ง คนจะให้นิ่งอยู่เป็นสักเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงโดยธรรมชาติของเขาแล้วแต่บางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางทีแค่ห้านาทีสิ 4, บนาทีก็ 5, 4, 5, 4, แล้วแต่แ ล, แล้วแต่กําลังของสมาธิของแต่ละของแต่ละท่านเนี่ถ้าปฏิบัติไปทํานานแล้วมันก็จะอยู่ได้นานถ้าใหม่ๆ ม, มันก็อาจจะอยู่ได้นนไม่นานเมื่อมันออกจากความสงบนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ได้หรือจะนั่งแล้วก็พิจารณา กายรักในเรื่องของร่างกายก็ได้ของเวทน า, นาสัญญาสันขามนิยาณก็ได้ก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องกายรักเป็นหลักในเบื้องต้นนี้ก็จะจะพิจารณากายเป็นหลักพวกกายนี้เป็นเหมือนกับเป็นด่านแรกแลเ้เป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดปัญญาขั้นต้นนี้จะต้องเหมาะสมกับการพิจารณาร่างกาย ส่วนรูปส่วนเมตนาจัญญาสังขารยัญญาเนี่มันต้องปัญญาที่ละเอียดเข้าไปเพราะมันเป็นนา ม, มาทํานะดังนั้นเบื้องต้นนี้เวลาจะพิจารณาทางปัญญาก็ให้พิจารณาดูร่างกายเป็นหลักดูความแกเ่เจ็บตายเป็นหลักดูความไม่สวยไม่งามเป็นหลักนะจนกว่าจะปล่อยวางได้ปล่อยวางความความสวยงามของร่างกายได้ปล่อยงา่าย ปล่อยวางการยึดติดอยู่กับความเป็นความตายของร่างกายได้จนกระทั่งไม่มีปัญหากับร่างกายแนละ้วก็จะไปพิจารณาเรื่องนามาขันต่อไปแต่ในขณะที่พิจารณาทั้งร่างร่างกายบางทีมันก็มีเวทนามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเวลาเรานั่งไปนานๆ น, นี้ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาเวทนาควบคู่ไปด้วย เพ่นเวลาเกิดทุกเวทนาขึ้นมาก็ทุกเวทนาว่าเวทนานี้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดือดมันก็ดับไปอย่างตอนนี้มันเป็นทุกเวทนาเราก็จะเกิดมีตัญหาคือความอยากจะให้มันหายไปหรือเราอยากจะลุกหนีจากมันไปแล้วก็ต้องหักห้ามจิตใจอยจะให้มีความความอยากนี้เกิดขึ้นไว้ให้เวทนามันแสดงตัวของมันไปคิดว่า มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราพร้อมที่จะเผชิญกับมันมันก็เราก็เผชิญกับมันได้แต่บางทีใจเรามันติดนิสัยพอเจอทุกเวทนาปั๊บก็อยากจะโดดหนีอยากจะทิ้งมันอยากจะให้มันหายไปเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเช่นนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรไปถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่แก้เราก็ยังจะไม่เห็นเรายังว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางเวทนานั่นเองเรายัง ยังถืกเวทนาบังคับใจเราอยู่วิธีที่จะปล่อยเวทนาก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะเจ็บจะปวดยังไงเราก็อย่าไปสนใจมันเราหันมาสวดมนต์ก็ได้หันมาบุญการพุทโธพุทโธไปแทนก็ได้หรือจะดูมันเลยก็ได้ว่ามันมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนมันรุนแรงขนาดไหนถ้าเราพิจารณาไปมันก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนกับ มันมันก็เหมือนกับเสียงที่ปรากฏขึ้นมาในจิตของเราเนะี่ยเสียงมันก็เกิดวุบวับๆุบบอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่เราได้ยินเสียงเงี้ยส่วนในเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็เป็นเหมือนกับเสียงเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไปรังเกียจ ม, มันเราไม่ต้องการมันมันก็เลยสร้างความทุกข์ค้อยขึ้นมาในใจคืออันนี้แหละทุกใ น, ในในอริยสัจทุกที่เกิดจากตัณหาคือความอยากให้ความทุกข์นี้หายไปความเจ็บนี้หายไป มันก็จะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ที่รุนแรงคือทุกข์ในพระอริยสัตว์ขึ้นมาถ้าไม่มีทุกข์ในพระอริยสั์แล้วเวทนามันจะรุนแรงขนาดไหนมันก็มันก็จะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจได้ไอ้ตัวที่กระทบกระเทือนจิตใจไม่ใช่ตัวเวทนาแต่ไอ้ตัวตัวสมุทัยที่ไปเกิดความอยากให้ทุกข์คือความเจ็บนี้มันหายไปไอ้ตัวนี้มันจะทําให้จิตใจเราทุลมทุลายทรมารย ถ้าเราบอกว่าในความเจ็บกันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่เหนือบาปอะไรเรากําหนดจิตให้นิ่งไว้ดูมันไปใช้กําหนดดูมันเป็นเป็นแทนทุกโทก็ได้ดูเจ็บนั้นนะมันเจ็บอย่างไรมันอยู่ตรงไหนพ้ดูมันก็จะเห็นว่ามันยิบยิบยิบเบอยู่ในใจของเราทเองถ้าเราไม่กลัวมันไม่ไม่อยากจะให้มันหายแล้วเดี๋ยวมันก็หายเพรมันไปเองเพราะเวลาเราใจเราปล่อยวางแป๊บอันนี้มันก็หายไป แล้วจิตมันก็จะรวมลงสงบเข้าไปลึกเข้าไปถ้ามันได้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญขึ้นมามันจะไม่กลัวกับความเจ็บปวดต่างๆต่อไปเพาความเจ็บปวดของของร่างกายนั้นมันมันมันน้อยมากาเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองที่เกิดจากตัรหาความอยากให้ใ ห, ให้ความเจ็บปวดหายไป เราสามารถระงับความอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปได้ไอ้ความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้มันจะหายไปและไอ้ความเจ็บปวดที่แท้จริงนั้นมันจะไม่เจ็บปวดเท่าเท่าไรไม่เหมือนกับความทุกข์ที่สร้างขึ้นมาด้วยความอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปถ้าใครปฏิบัติฐานตัวทุกเวทนาไปได้แล้วมันก็จะไปไล่ไกลเลย ส่วนใหออที่ไปกันไปไม่ถึงไหนก็มันก็ติดได้ตรงเนี้พอนั่งไปแล้วมันเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมามันก็ท้อแล้วก็เลิกก็เลงไปไม่ถึงไหนที่กี้ถ้ามุดทะลุให้มันไปในเมื่อก็อาจจะใช้การบริกรรมพุโทโธไปก็ได้เวลาเจ็บเวลาปวดก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดเอาพุโทโธพุโทโธไปลูกเดียวดีไม่ดีเดี๋ยวพุโทโธนี่มันจะพาให้เราทะลุไปเลยทะลุไปเราจะรู้ว่านี่เป็นเหมือนม่านบา ง, บาง กั้นเราอยู่ทั้งนี้อากเจ็บปวดมันเหบ้านโรงพยาบาลแต่เราไม่กล้าวิ่งทะลุมันสักทีมันก็ไม่ทะลุสักทีแต่ถ้าบริกรรมไปบางทีไม่นานสิบนาทีห้านาทีมันก็ทะลุไปได้ค่ะเวลานั่งบริกรรมเนี่ยนั่งข่าสบายก็ได้หมอไม่ต้องให้เจ็บเกิดการเจคือถ้าถ้าไม่ถ้าสบายถ้าสบายมันก็ต้องเจ็บปวดนะเพราะถ้าสบายจริงๆมันต้องท่ากัดสมา ว่าจะเป็นท่าที่นั่งได้นานแลาจะไม่จะถูกรักษณะของการนั่งถ้านั่งท่าอื่นๆแล้วมันจะน้ำหนักมันจะไม่ไม่ไม่ไม่เท่าือนเช่นนั่งบนเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งไปแล้วมันจะมันจะโยกไปโยกมาแต่ก็ไม่ได้บังคับกันแต่ถ้าอยากจะนั่งให้มันได้ผลที่ดีิงต้องต้องนั่งค่าขัดมา เหมกับเวลาเราเล่นกีฬาเช่นตีกอล์ฟเรืองอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีท่าของการตีที่ถูกต้องถ้าอยากจะตีให้ได้ผลที่ดีแต่เราจะถ้าเราจะตีแบบตามสบายใจเราตียังไงก็ได้เอามือเดียวหัวก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่มันจะตีไม่ได้ไกลแล้วมันจะไม่ได้เข้าเป้าที่เราต้องการดังนั้ น, นการนั่งสมาธิก็แบบเดียวกันถ้าต้องการได้ผลที่ที่เป็นที่ท ร้อยเปอร์เซ็น์นี้ก็ต้องนั่งให้มันถูกท่าแต่ถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ต้องถือว่ามันก็เป็นเป็นข้อบกพร่องของเราแล้วก็อาจจะไม่ได้ได้เต็มร้อยอาจจะได้แค่ห้าสิบหกสิบก็ต้องทําไปตามอัตรภาพแต่ถ้าคิดว่าเรานั่งได้ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเวลานั่งมันจะเจ็บกระปวดก็หัดนั่งไปเพราะนั่งไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันอเส้นสายต่างๆมันก็จะอ่อนเองเหมือนกับการดัดร่างกายแล้ว เวลาดัดใหม่ๆมันจะรู้สึกยากแต่ถ้าเราดัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นสายมันเริ่มอ่อนตามแล้วต่อไปเวลาดัดมันก็ง่ายเวลานั่งสมาธิใหม่ๆทุกคนก็เหมือนกันเ่ยมันนั่งแล้วมันไม่สบายเพราะเราไม่เคยนั่งท่า น, นี้มาก่อนแต่ถ้าเรานั่งนั่งไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเท่าที่เองแล้วต่อไปมันจะนั่งสบายแล้วภาวนามันจะจะได้ไปไปได้ได้ ไ, ดไกาเพราะบางทีอาจจะนั่งนั่งภาวนาทีหลายๆลชั่วโมง ถึงจะเห็นผลงถ้าเรานั่งแบบเก้าอี้นี้บางทีมันนั่งไม่ได้หลายชั่วโมงก็อลองลองดูลองลองลองหันนั่งดูถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อบกพร่องของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้ผลดีเราก็ต้องลองผืนมันถ้าไม่มไม่ถึงกับขัน้นทำร้ายร่างกายเราก็ทาก็พยายามฝืนมันไป แต่ถ้ามันทําไปแล้วทําให้เกิดร่างกายพิกลพิการขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องรับก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราที่มามารู้เรื่องธรรมะก็ตอนที่มันสายไปแล้วบทสวดพระชักสูตรนี่สําหรับกำจัดตอนกลัวใช่ไมักกระสแต่มาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มีการสวดก็ มันก็เป็นอุบายอย่างนึงที่จะเด่นใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวเมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องที่กลัวแล้วไอ้ความกลัวมันก็จะค่อยค่อยหายไปย้อนมันจะทําให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในเราไม่เกิดจากใจเราไปคิดเองพอใจเราไม่ไปคิดปั๊บความกลัวหายไปปั๊บไอ้สิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวมันก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรมันไม่เคยมายุ่งเกี่ย ว, เ ร, เ, ยย เ, ยวเราเลยมีแต่เราไปยุ่งเกี่ยวกับมันกัน เมื่อเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเราสงบไอ้ความความกลัวตัวนี้มันก็หายไปแล้วบางทีจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้บวรกรรกมพูดโถพุดโถก็ได้สุดแท้แต่ความถนักดการสวด น, นี้ถ้ า, าถ้าเราไม่เข้าใจความหมายมันก็เป็นเพียงแต่อุบายแห่งสมาธิถ้าเราเข้าใจความหมายมันก็เป็นปัญญาได้เช่นรู้สึกว่าเวลาที่มีใครเจ็บไข้ได้สว่วนแล้วพระพุทธเจ้าไปโผล่แสดงธรรม เวลาเวลาจิตฟังไอเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องไตรลักเรื่องอะไรเนี่ยจิตมันก็หมุนตามหมุนตามความเป็นจริงมันก็เลยมันก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้จิตมันไม่ได้เจ็บป่วยด้วยเอย่างเพียงแต่ว่ามันชมมันอยู่กับไอ้ความเจ็บปวดมันก็เลยเหมือนกับเป็นกระจกที่มันมันรับภาพเข้ามาแล้วก็เอามาแบกไว้ในใจเพราฉันเจ็บฉันปวดฉันไม่สบาย แต่ความจริงไอ้ตัวที่ว่าฉันเจ็บทันปวดฉันไม่สบายนี่มันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้ไม่ไได้ม่สบายไปด้วยแต่มันเถอะไปนั่นเองแต่พอมีใครมาพูดมาคุยมาสอนนาธรรมเร่าให้ฟังจิตใจมันก็กระสุกชื่นบิกบานพอฟังธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นมายืนยืนเดินเหินได้ทั้งๆที่ร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเจ็บเหมือนเดิมอยู่แต่จิตมันไม่ได้เจ็บจิตมันก็สามารถจิตมันเหนือมันย้ำหนาาเหนือร่างกายนี้มันสามารถที่จะ คล้ายๆว่าพื้นพื้นได้พื้นที่จิตนะไม่ได้พื้นที่ร่างกายโรคภัยก็ยังอาจจะเป็นอยู่ในเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านไปตรวจคนที่ตัว น, นี่ก็พูดเรื่องธรรมะนี่แหละเรื่อธรรมะเพื่อปลดจิตใจของเขาไม่ได้ไปปดลดร่างกายเพราะอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เป็นหมอไม่ได้ไปรักษาร่างกายโรคภัยแต่บางครั้งบางคราวถ้าโรคภัยมันเกิดจากจิตเองไปทําให้มันเกิด เป็นขึ้นมาถ้าจิตหายปั๊บร่างกายมันก็หาได้ด้วยเช่นมีพีหมอเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระชอบไปหาให้รักษาว่าปวดตรงนั้นปวดตรงนี้หมอเขาก็ตรวจร่างกายดูทุกอย่างเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็บอกว่าบอกกระเ้าะไม่เป็นอะไรร่างกายท่านเป็นปกติอยู่แต่พระเขาเขาบอกว่าเขาก็ยังเขาก็ยังเจ็บเก็ยังปวดอย่างนั้น่ะแต่ต่อมาไม่นานรู้สึกว่า พอท่านลาสิขาไปปั๊บท่านก็ไม่เป็นอีกเลย <c oughs> พอเวลามันบวแล้วมันเครียดใช่ไหมไน่้ <c oughs> ันอยากจะไปทำนู่นทํานี่ก็ไปก็ไม่ได้ <c oughs> อยากจะกินนู่นกินนี่ก็กินไม่ได้มันก็เครียดควางเครียดมันก็เลยทําให้เกิดรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาพอมันทําได้ตามใจอยากแล้วมันก็หาย <c oughs> หายเจ็บหายปวดใจเย็น บางทีเราเราไม่งวาเรอด่ว่าเรจะทําขึ้นชั่วโมงชั่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้มเวลาก็ได้เป็นเป็นเพราะเรากงดจิตได้หรือเป็นเพราะาเราอางเรื่องเวลาแล้วเราเราสามารถกหนดเวลาได้มันก็จิดเราเนี่ส่วนใหญ่ก็เราจะกหนดเรื่องเวลาได้เช่นเวลานอนนี่เราอยากบอกจะตื่นกี่โมงนี่มันก็จะตื่นตอนนั้นเสมอมันเป็นการฝึกไป เรานั <dı> accurate, ่งบอกว่าเราตื่นชั่โงกอนนั่งักแล้วเราบนในกาก็คึ่งช่โมงหรือชั่วโมงมันคืสามารถกำหนดได้เองคงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เท่าที่ผ่านมาก็มันก็สามารถกําหนดได้แต่จะไม่ตายตัวเป๊ะเลยอาจจะไม่ตรงตรงกันแต่เท่าที่สังเกตดูเวลานอนเราอยากจะตื่นกี่โมงนี่เรากําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลานั้นมันก็จะมันก็จะตื่นขึ้นมา ถ้าคิดว่าเรามีจิตงำลึกอยู่อยู่ภาย ใ, ในใจมันจะค่อยคอยเตือนเราอยู่พอถึงเวลานั้นปั๊บมันก็จะความรู้สึกขึ้นมาแต่การนั่งภาวนานจริงๆควรจะไม่ควรไปใช้เวลาเป็นตัวกำหนดควรจะใช้ผลเป็นของการภาวนาเป็นตัวกําหนดจะดีกว่าคือบางทีกาําลังจะเข้าได้เข้าเข็เขมก็ถึงเวลาแล้วเออ มันก็เลยไม่ได้ผลเท่าเท่าที่ควรแต่มันก็ยังมันก็ยังได้อยู่แต่ถ้าดีเวลาภาวนาอย่าไปกําหนดเวลาได้ถ้านันกว้างไว้เนี่ยดีกว่า <c oughs> ขอขอบอกขอขอให้ได้นั่งนานๆได้ภาวนาไปนานๆก็แล้วกันจนกว่าจะได้ผลหรือจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาก็ก็ก็แล้วไปแต่การภาวนาจริงๆจะได้ผลอย่างเต อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมมันต้องเป็นแบบว่าภาวนาแบบมืออาชีพหรืออาชีพภาวนาอย่างเดียวมันจำกัดใช่มันมันมันจำกัดมันก็เลยได้ผลไม่เท่าที่ควรนั่นเองจึงอยากใช้ภาวนาจนเห็นผลอะ พอเมื่เริ่มเห็นผลแล้วมันจะเปลี่ยนอาชีพได้มันจะมันจะเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรได้แล้วจะมาใช้นักภาวนาได้เมื่อที่ิตมันไม่สงบมันท้อแท้ก่อนได้มันไม่เห็นผลมันทํางานแล้วไม่ได้เงินเดือนทุกทีเช่นเช่นเดือนเจ้า้านายก็ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนมันก็เลยไม่มีกําลังใจอ่าเปลี่ยนอาชีพจากนักลงทุนอ่ะนักลงทุนอ่ะนักลงทุนนเป็นนักภาวนา จริงวันนี้ท่านอาจารย์ตอบคำถามทั้งหมดนะคะพอดีเมื่อว า, วานมีน้องคนนึงบอกว่าเขาไม่ทราบเป็นเพราะอะไรศรัทธาเสื่อมลงไปก็เลยไม่ได้จะใช่น่าจะเป็นเพราะขี้เขียนนั่นแหละคือความทอดแท้ไงที่มันทําไปแล้วมันไม่ได้ผล ม, มันก็คิดเหมือนกัน ว, ว่ามันเสียเวลาก็ไม่อยากจะทำเกิดความทอแท้ถ้าต้องถึงนึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระครูบาอาจารย์เลยเป็นหลักครับ ถ้าสอนว่าถ้าเราเกิดความทอ้อแท้ก็ต้องลึกถึงว่ามันต้องต่อสู้มันต้องอดทนต้องมีความมุ่งมันะต้องทําไปเรื่อยเหมือนกับการที่รับประทานอาหารบางวันเราไม่อยากจะรับประทานอาหารเราก็ยังต้องฝืนรับประทานเพราะรู้ว่าเดี๋ยวไม่รับประทานแนละ้วเดี๋มันจะหิวนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวข้างหน้าเราจะแย่กว่าเดิมเพราะเราจะถอยหลัง อย่น้อยเราถ้าเราทําเราก็รักษาระดับที่เราอยู่ได้แต่ถ้าเราหยุดปั้มมันก็เหมือนกับถอยหลังไปเพราะเราจะกินบุญเก่าที่เราได้ทําไว้เราบุญเก่ามันหมดไปมันเราก็จะลดระดับความเป็นอยู่ของเราลงไปแต่ถ้าเราถึงแม้ว่าวันถึงเวลาที่จะต้องทําบุญแล้วไม่อยากจะทําก็ทําไปพเวลาจะต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ทําไปอย่างนี้เราอย่างน้อยเรายังจะได้รักษาระดับเดิมอยู่ไม่ก้าวถอยหลัง แล้วเกิดพอวันข้างหน้าเราเริ่มมีพลังมีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมามันจะได้ไม่เสียเวลามาไล่กับส่วนที่เราปล่อยให้มันเสียไปเราจะได้ก้าวก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปเพราะการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้จิตของเรามันเป็นเหมือนลูกคลื่นบางวันก็สูงมีมีฉันทะวิริยะมากบางวันก็ตามลงไปเหมือนลูกคลื่นเนี่ยมันขึ้นขนลงๆงอย่างเงี้ยมันเป็นจิตของมันเป็นธรรมชาติของคนเรา บางวันก็ภาวนาง่ายสงบง่ายบางวันก็เหมือนเห็นคบขึ้นภูเขานั่งไงมันก็ไม่ยอมอยู่กับการที่อยู่พุโทโธมันก็ไม่อยู่มันจะไปคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาก็อย่าไปโกรธอย่าไปท้อแท้ก็ต้องทำใจเย็นๆบอกว่าไม่เป็นไรไมันนี่ยากหน่อยเพราะเหมือนขับรถขึ้นเขาช่วงนี้กําลังขึ้นเขาอยู่ก็ต้องยากหน่อยเดี๋ยวพอมันถึงยอดเขาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็สบาย เวลาเราสื่อาบอกว่าทำให้ัทุกอย่างง้ถ้าเหาย่อมาแล้วไม่ไม่ไดหรือว่ารไม่สุดไม่ได้ก็ให้เลิกไปแล้วนะเลิกไปอย่างนี้ ร้อนได้เหรอคือเขามาความว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วมันไม่ได้จริงๆก็ก็หยุดไปบ้างก็ได้ไปบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ปั๊บก็ไม่เอาเลยก็ต้องฝืนไปก่อนฝืนไปจนกระทั่งมันมันไม่ได้จริงๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงๆเกิดความเครียดเกิดความทุกข์มากกว่าจะได้ประโยชน์ก็ก็ปล่อยไปก็คือ ถ, ถ้าอย่างนั้นถ้าตรงกันข้ามนะคะ บางทีนั่งสักสิบสิบนาทีอะไรแค่มันก็นิ่งแล้วอะค่ะก็ให้พิจารณาเลยใช่ไหมคะไม่ตอนที่นิ่งอย่าไปพิจารณาให้มันหายนิ่งก่อนอให้มันนิ่งจะกระทั่มันถอยออกจากความนิ่งแล้วค่อยค่อยพิจารณาให้ถอยออกจากความนิ่งเออเวลานิ่งมันต้องออกมาจากความนิ่งก่อนไงนะมันจะนิ่งแล้วมันไม่นิ่งไปตลอดเวลานิ่งอย่าไปทําอะไรมันให้มันหายนิ่งก่อน ใหิดถอยก่อนถ้าจะถอยอ่ามันเวลานอนหลับอย่าไปเตะอย่าอย่าไปปลุกให้ตื่นขึ้นมาทํางานต่อให้นอนใจะก็ต้องตื่นขึ้นมาเองไม่ใช่พอพอโยมนอนเองหลังพอรู้สึกว่าจะหลับปั๊บก็รีบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยมันยังพักไม่พอมันเพิ่งหลับนี่อย่าเพิ่งไปปลุกมันควรจะเป็นกี่นาทีคะก็นานที่สุดเท่าที่มันจะนานได้อ่ะมันนิ่งได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดี แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละวอร์ร่าก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าการเกตตัวเองจะนิ่งได้เลย 10-15 นาทีจะนิ่งอก็ปล่อยมันนิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกจากการนั่งแล้วค่อยมาค่อยมาพิจารณาลุกขึ้นมาเดินพิจารณาก็ได้ไม่ต้องนั่งพิจารณาก็ได้เวลาพิจารณานี้ไม่ต้องให้มันนิ่งแล้วเราต้องการเหตุต้องการผลเราต้องการความเข้าใจไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันนิ่ง เวลาพิจารณาปัญญานี้อย่าไปกังวลเรื่องความสงบเพราะไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเราต้องการความเข้าใจเพื่อปล่อยวาง<ม>พิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นว่าเป็นงูพิษตําที่เราเห็นว่าเป็นงูเป็นงูไม่มีพิษ<ม>แล้ว<ม>ตอนที่เราลืมตานีาก็พิจารณาออาไปได้ได้อยู่ในเรีย บ, บทต่างๆทํางานทําการก็พิจารณาได้เวลาได้เงินมาก็พิจารณาได้ว่านี่มันก็ไม่เที่ยงนะได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปอะไรอย่างเนี้ยะ มันพิจารณาได้หมดนะปัญญามันอยู่ได้าะตาเห็นลูกก็พิจารณาได้ละลูกก็ไม่เที่ยงละลูกก็เป็นทุกข์ละลูกก็เป็นอนัตตาเสียงก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันมันพิจารณาได้หมดเรื่องปัญญาแต่เวลาทำสมาธินี่มันต้องวิเวกมันต้องสงบสงัดมันต้องการเหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยไปนอนกลางสีแยกไฟแรงมันนอนไม่หลับเพราะมันหอะไรมาบรบกวน แต่ถ้าเรื่องปัญญาอยู่ที่เสียฟายไดก็พิจารณาได้เห็นอะไรเห็นการเคลื่อนไหวไปมาก็พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงได้เป็นทุ่งได้ไม่ไม่เวลาเวลานิ่งก็เพื่อเพื่อต้องการที่จะชาบ์จแบตชาติจิตใจไม่ใช่เสียแบตเข้าไปเสียบเออมันก็ไม่มีกําลังมันไม่ได้พัก ให้มันพักมือนกักินข้าวคนทํา ง, งานจะไปทําท้าเวลาจะไปทํา ง, งานต้องหลับนอนให้สบายกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยไปทํางานไม่ใช่ทําทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่กินข้าวเลยไม่กินน้ำเลยนี้เดี๋ยวมันก็หมดแรงจะเนว่าให้เรานิ่งไปนนั่งเป็นช่วโมงเถอให้นิ่งอยู่นะถ้าันถ้ามันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปอยู่ได้ แต่พอออกจากความนิ่งแล้วพอออกมาทำทำนู่นทํานี่ก็อย่าปล่อยใจให้ไปคิดตามเรื่องตามราวเหมือนเมื่อก่อนนี้พิจารณาอ่พิจารณาร่างกายนี้ไปก่อนเลยแต่ทังร่างก็มันนิ่งน่ก็พิจารณาได้เยใ่ไหคะแต่พิจารณาก็ได้บางทีพิจารณาแล้วมันก็ทําให้นิ่งได้ที่เรืปัญญาควาสมาธิบางทีคิดแล้วนั่งบริกรรมแล้วมันพุ่งซาดมันไม่สงบก็พิจารณาไปก็ได้ เช่นนั่งไปแล้วเกิดเจดเวทนาขึ้นมาก็พิจารณาเวทนานะเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลับไปของมันเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันปล่อยมันไปมันจะเจ็บไงให้มันเจ็บไปร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกร่างกายก็เหมือนกับพื้นมันเป็นเหมือนกับไม้ร่างกายกระดูกนี่มันก็เป็นเหมือนกับท่าไม้ท่าเทีนี่เองมันไม่รู้มันไม่รู้จักความเจ็บหรอกมันไม่ได้เจ็บหรอกไอ้ที่เจ็บไอ้ที่ตัวรู้ก็สือจิต แต่จิตมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เจ็บกับไอ้ความเจ็บนี้แต่ความเจ็บนี้มันมาปรากฏให้ให้เห็นอยู่ในจอของจิตนี้เท่านั้นเองแล้วจิตทำไมจะตั้งไปวุ่นวายกับมันทําไมก็ปล่อยมันปรากฏขึ้นมาของมันไปพิจารณาไปนี้แล้วมันต่อไปมันก็ค่อยๆปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากสมมุทัยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่ปรากฏขึ้นมาไอ้ตัวที่เป็น ทุกที่ทรมานจริงๆก็คือตัวทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยในจิตการของเราเนี่ยที่เกิดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปแล้ว อ, อยากจะลุกหนีจากไอ้ที่จากไอ้ความเจ็บนี้ไปไอ้ตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เรานั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่เกิดแล้วถึงมแม้จะ เ, เจ็บมันก็เป็นความเจ็บที่พอที่จะรับรับรู้พอที่จะทนกันไปได้ ถ้าจะเาเ่งเวลาเราทงานเช่นกว่าที่จริงแล้วตั้นงว่ามันมันไม่ได้สงสแต่ว่าถ้าเราไม่ทาอะไรมันก็จะมีสติทีนี้เราควรจะุตโตในขณะนั้นเราควรจะใช้จับอันิยามของงจก็ได้ทั้งสองอย่างให้รู้อยู่อาการการกระทำการงานนั้นก็ได้กำลังถูกพื้นก็ให้มีสติอยู่กับการถูกพื้นให้รู้อยู่อันนี้เป็นการเจริญสติ ถ้าจะไม่มีถ้าไม่มีสติเราจะทําให้จิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่อยู่เช่นเราไม่มีสตินี่เราพุโทโธได้สองสามทีมันก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ถ้าเรามีสติต่อไปเราจะสามารถควบคุมให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้ตลอดเวลาก็แล้วแต่ไงเราเราเรา เราถนัดเราจะให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้หรือเราจะให้อยู่กับพุโทโธก็ได้แต่ความจริงเวลาเราทําอะไรเราก็รู้อยู่กับการกระทําด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่มั่นใจกลัวว่ามันยังจะแวบไปคิดเรื่องอื่นด้วยในขณะที่เราทําอยู่แล้วก็เอาพุโทโธเข้ามากํากับกชั้นหนึ่งคือรู้กับการกระทําแล้วก็มีพุโทโธกํากับไปด้วยไม่ใช่นั้นบางทีเรารู้อยู่แต่เราก็อดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ให้บางทีก็บ่นว่าเกิดมาทําไมต้องมาทํางานเหล่านี้เป็ น, เ ป, นเป็นกรรมยางไงมันก็อาจจะคิดได้ี <c> ่ <oughs> แต่ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธกํากับไปด้วยมันก็จะไม่คิดเอเรื่องราวต่างๆ <c oughs> แต่ถ้าถ้าเรามีสติที่คท้ๆว่าแข็งมากเนี่ยเราเพียงแต่รู้อยู่กับการกระทํำเรารู้ว่าเรากําลังคิดอะไรหรืไม่เนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องพุโทโธกันได้ เรารู้อยู่กับการกระทำเรารู้ว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้บน่นเราไม่วิาพากวิจารกับสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องใช้ทุกโถก็ได้แค่รู้อยู่กับการกระทรําการงานทั้นไปแต่นี้เป็นเพียงการฝึกสติเป็นการฝึกทําจิตให้ตั้งมั่น <c oughs> เพื่อเวลาที่เราจะทําจิตให้รวมนมเป็นสมาธิมันจะง่ายเพราะเราต้องอาศัยสติเป็นตัวดึงจิตให้เข้าสู่ควาสมสงบแล้วเราต้องอาศัย ต, ตัวสติที่คอยกํากับให้จิตพิจารณาธรรมะ ถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเราพิจารณาธรรมะได้แค่สองสามวินาทีมันก็ไปละพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายได้แว บ, บเดียวเดียวมันก็ไปเรื่องอื่นละเพราะไม่มีสติคอยดึงไว้นั่นเองแต่ถ้าเรามีสติแล้วต่อไปเราให้มันพิจารณาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็จะพิจารณาไปจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยขึ้นมามันก็จะไปโดยอัตโนมัติของมันที่เดียวม า, าสติมหาปัญญา มันไม่ต้องบังคับแล้แต่างนั้นมันจะคิดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวมันจะวนเวียนอยู่กับใจรักวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจฉามันไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นก็จะเห็นว่าเป็นรูปเสียงเวรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพทั้งนั้นะ่ะทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีแค่นี้แหละสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็รูปสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูก็เสียงที่สัมผัสด้วยนิ้นก็รส ที่มาทางจมูกก็กลิ่นที่มาทางร่างกายก็เป็นโสดพภะมันก็มีเท่า น, นี้แหละในโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากนั้นก็มีความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราที่เรียกว่าเป็นเป็นธรรมารมณ์เนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่กับเรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดั บ, ดบมันไม่มีสาระอะไรเห็นรูปมากี่ร้อยกี่แสนรูปแล้วมันก็ผ่านไปได้ยินเสียงมา มากน้อยเพียงไรมันก็ผ่านไปมันจะวิเศษวิสโสจะจะจะดีจะช่วยอย่างไรมันก็หมดไปมันก็ผ่านไปงั้นเวลาเราสัมผัสกับมันอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันและอย่าไปกลัวมันมันไม่ดีก็ทนฟังไปใครด่าก็ทนฟังไปกค่เท่านั้นเองเขามีกําลังจะด่าเท่าไหร่เขาป่อนก็ด่าไป คนฟังมันง่ายกว่ามันสบายกว่านั่งอยู่งเฉยไอคนด่ามันเหนื่อยกว่าใช่ไหมแต่คนฟังกับเดือดร้อนมากกว่าคนดา่า <laughs> <laughs> เพราะไม่มีปัญญานั่นเองถ้ามีปัญญาแล้วนั่งฟังได้ใครจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วก็เหมือนกับเรานั่งฟังเทศฟทังธรรมไปคิดเองคุณผู้ชมมีโดนโดนลูกค้าต่อว่าก็ค่ะก็พูดโตพโตแต่ลูกค้าก็ยิ่งว่าอย่าเลยว่ไม่ได้ยินหรอ เปล่าถ้าพ่อต่อว่าเพราะเรื่องการงานเราก็ต้องฟังนะถ้าก็เป็นลูกเท้าเราก็มีปัญหาเราก็ต้องฟังเราเราฟังแต่เราแก้ไขไม่ได้เออถ้ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องที่มันไม่มีเหตุมีผลแล้วก็ปล่อนไปแก็อย่าไปถือสาเขาคิดแต่ว่าเราเป็นกระถอนรองรับอารมณ์เขา็แล้วกันเป็นการทําบุญเขาเรียกว่าให้อภัยให้พยาทาน ใครเขาพูดอะไรไม่ถูกต้เราเราก็ไม่ไปกรแค้นกดเครื่องเขาปล่อยให้เขาระบายให้เต็มที่เหมือนกับเขาก็อยากจะระบายความทุกข์ในใจเขานั่นเองเนี่ยต้องให้มีคนอย่างเวลาเรามีความทุกข์บางทีเราก็อยากจะหาเพื่อนคุยเพื่อช่วยระบายความทุกข์นี่ให้เขาได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราเราก็ฟังไปเราถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้เราก็เราก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ แล้กเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกันคุณปล่อยวางไม่เป็นเท่านั้นเองถ้าปล่อยวางเป็นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราไปยึดไปติดเนื่อมันไม่ได้สิ่งที่ตอนยังยึดติดอยู่มันก็วุ่นวายใจ <c oughs> เนี <c> ่ <oughs> ท่านนั่งเป็นนานเหลือเกินช่วยมากนะถ้าคุณไม่ไนั่งเป็นนานสอามชั่วโมงนี้ก็หายพอเขาลุกขึ้นก็คงปัญหาต่างาน่าใจมันแลแต่ว่าจิตสงบไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วเวลาลุกขึ้นมามันจะไม่รู้สึกเหมือนกับได้นัเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าเวลาที่มันไม่สงบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บปวดคามมั เพราะจิตเราไปยืดไปติดกับล่างกายอยู่จะไม่ปล่อยมันที่ลูกเคเยี่ยมพะองคที่โรงพยาบาล้าท่านขาดตก็อาตมานั่งาาไ่าเอทุกคนหมอหามัจะห้าม่ให้นั่งสมาธินั่งพเพียบถาม ว, ว่าเป็นเกี่ยวกับโรคข่ะ คือแต่ละคนนี่มันก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นด้วยมนะันมันอาจจะไม่เกิดจากาออการนั่งสมาธิโดยตรงอย่างเดียวคือบางทีก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมตอนที่เขาแก่แล้วสัขงขงารไม่ดีแล้วก็ได้ ก็เลยพ่านโทษสมาธิอาจจะนั่งแค่วันละชั่วโมงก็โทษหรือว่านั่งสมาธิเป็นคนไม่ไม่มีปัญหาครูบาอาจารย์อย่างนลวงตาท่านนั่งทั้งคืน8ชั่วโมงมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือเราต้องรู้จักรักษาร่างกายเราด้วยต้องรู้จักทําโยคะรู้จักยืดเส้นยืดสายไม่ใช่ใช้มันอย่างเดียวเราก็ต้องรู้จักรักษามันแต่เวลาเราใช้มันก็ใช้มันไปแต่พอเราหยุดเราก็ต้องรู้จักประมาณอ่ะ มีอร่างการมันก็มีของมีเกสความสามารถของมันถ้าเราไปใช้มันเกินความสามารถท er ี่มันจะรับได้มันก็พิรุษชำรุดได้เหมือนกันแต่ยังไงยังไงมันก็เรื่องของวัยมันก็เป็นมีส่วนด้วยถึงแม้ไม่เคยน there, ั่งสมาธิมาก่อนเลยมันก็เป็นได้โรคเสื่อมโรคอะไรต่างๆโรคเข่าเสื่อมโรคอะไรเสื่อมไม่ต้องนั่งสมาธิก็เป็นได้แต่พระที่ก็นั่งสมาธิ ปาะจําเขาไม่เป็นโรคข่าวเสื่มก็มีต้องเยอะแยะไปครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านอายุเก้าสิบป่าแล้วทําไมท่านก็ยังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้เอเพราะท่านก็รู้จักวิธีรักษาดูแลรักษาร่างกายของท่านท่านก็ทําโยคะอยู่ด้วยท่านก็มีท่าของท่านเมื่อก่อนในตอนเช้าท่านจะลงมาที่ศาลาตอนที่พระลงมาจัดบาตรจัดอะก่อนที่จะวินไดบาตถือศาลากันท่านก็จะนั่งทําโยคะ คุมพระไอ้พี่แล้วก็จะเห็นท่าของท่านท่านทำยืดเส้นยืดสายอะไของท่านไป ต, mm hmm. ต้องเปลี่ยนอาวุธการเดินก็เป็นการช่วยช่วยเป็นช่วยช่วยรักษาร่างกายถ้านั่งไปเรื่อยเดี๋ยวร่างกายมันก็แย่ yeah. ต้องลุกขึ้นมาเดิน mm hmm. เดินหาเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วท่านก็มีพระคอยจับเส้นอให้เนี่ย ทุกวันนี้จะมีค่าไปคอยจับเส้นให้เพราะเส้นมันเติมมันอะไรเนี่ยมันยึดถ้าไปบีบแล้วมันก็คายคายมันก็คลายระหว่าที่นั่งนั่งท่านนั่งทาโยคะนี่ท่าเสือท่าทำผิดท่านเห็นไหมคะดูไหคะคงไม่จะเห็นเนี่ะเูอ่าแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ใช่งานที่ละเอียดอะไรกอดถุงซาลากันไปก็ก็ไม่มีอะไรที่ต้องทําผิดก่อนู นนะกกนั่นนงเท้าแข็งโอ้ท่านดุเอาตมายังเคยเลยนีติดนสายนี่ก็นั่งเงี้ยก็บอกไให้นั่งเท้าแข็งอาจจะเป็นแค่ก็เป็นธรรมเนียมของางการนั่งไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวภาคหรืออนะไรนุยมย่าจำแต่ท่านท่านท่า น, ท, านท่านมองมองเห็น เ็อยู่ที่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดอะไรองนีน้แต่บางทีท่านก็ต้องมาทําเองนะเพาบางทีมีพระที่หูหนวกตาบอดมาจากที่อื่นไม่รู้ว่างานที่ของพระเป็นไงเช่นตอนเช้าพระเราจะช่วยกันกวาดถูศาราแต่ถ้าเป็นพระบางทีมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่เคยกวาดถูศารามาก่อนเขาก็จะยืนเฉยๆบางทีลงจาท่านก็ต้องลงไปถูเองกวาดเอง เราถึงจะทําตามท่านปปา เ, าเป็นตัวอย่างแล้วท่านทําโยคะมีพระทําตัวอย่างตามตัวอย่างท่านไหมครก็ทําถอะที่ปุตตะมาแต่เราจะไปทําต่อหน้าท่านแล้วๆๆว่าเราเราดูแล้วก็เราลองมาทําดูว่ามันดีไหมอะไรเงี้ยถ้ามันทำแล้วมันดีมันช่วยได้มันก็เราก็ทําไปเป็นิยมก็นิยมนะพวกโยคะอะไรอย่างเงี้ยโยคะมาเจอพวกนี้ ถ้าเราถ้าเป็นพระเราก็ต้องทำในที่ส่วนตัวของเราไม่ไม่ได้ให้ทำตามคือแต่ว่าท่าน<ม>เป็นคล้ๆว่าท่านต้องลงมาคุมพระทีแล้วท่านก็ใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์<ม>ในการทำกิจของท่านไปในตัวแทนที่ท่านจะอยู่ที่กุเของท่านทากิจของท่านแล้วก็ปล่อยให้พระละเลงกันเองบางทีไอ้คนขยันก็ทำแทบเป็นแทบตายคนที่เกียดก็ไม่ทา แต่พอมีท่านอยู่แล้วทุกคนขยันขยันขันอุ้มขันร่มพร้อมพร้อมเพรียงกันดีท่านเดินตรวจไปงานะกันก็เมื่อก่อนนี้ก็ท่านก็เดินตรวจอยู่เป็นประจําระจำท่านไม่ให้พระไปสิงสิงไปคุยกันตามกุต ต, ติต่างๆไปบางทีท่านเดินแบบไม่ไ ม, ไม่ใส่รงเท้าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช้ไปด้วย <laughs> ไม่ใช้ไปด้วย แต่ระยะหลังนี้ไม่ทรบทาบว่าท่านยังเดินอยู่ป่านเดินไม่ไหวหรือแต่งทีท่าก็เดินนะเพราะท่ทา น, นาอาศัยเป็นอาศัยเป็นการคล้ายๆเปลี่ยนอิเดียแบบบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะเดินท่านกำลังใช้เวละเวลาเดินก็เลยให้มันเกิดประโยชน์หลายอย่างได้ประโยชน์ทางกายของท่านและได้ประโยชน์การดูแลพระเนรไปในตัวด้วยแต่คนที่มีอายุถึงขนาดนี้ยังเคลือ่ อ, ยอยนไหวอ่นี้ได้นะถต้องถึงว่าเก่งมาก อาสุ90 า, า, า, า, า, า, า, าแล้วยังยังคล้ายๆว่ายังคล่องแค่วว่างไวยังทําะไรได้ด้วยตัวเองก็เปรียบเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยต่างกันสมเด็จท่านก็เป็นพระในเมืองท่านคงจะไม่มีโอกาสได้ได้เดินได้หรือว่าร่างการมันเมื่อ น, นั่งรับแขกรับคนอยู่ยเรืยๆนีน่มันก็มันก็ชำรุดไวกว่านะก็ สนุกที่สังขารเป็นของไม่เที่ยงเลยยังพยายามทำประโยชน์ส่วนตนและส่วนตันให้ถึงพร้อมด้วยความไม่สม่ัครจะให้คพรเลยนะเยี่ยมสวยสวยลองที่มีรบกวนถามปัญหาจังหวะคือมีครูบาอาจารย์ที่จุสังขารแล้วเราไปอาราธนาขอยแท่านอยู่แล้วตอนนี้ท่านอยู่ต่อแล้วนี้ คือทุกคนอลัพนาเยอะแยะเลยแต่ว่าพอตอนเนี้ยท่านอยู่ได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราต้องไปอยู่ท่านทุกวมมันว่าการที่เราไปเอาอาหารให้ท่านเลยมันเป็นการจุนจานเพื่อนแบบนี้ยคือจะทํายังไงเพราะถือตอนนี้เมันความสุขว่าเราขอให้ท่านอยู่เราพอท่านอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเราสันทัดสําคัญท่านก็พูดจริงว่ามันก็อาจจะไม่ไหวแล้วเพื่อนเพือทุกคนขอหมดแต่ว่าพอพ อ, พอท่านอยู่ทุกคนก็เฉยเฉยละ ตอนนี้มีความสึกว่าเราก็เป็นส่วนเนี่ยแล้วเรามันเป็นความดีชอบของเราไหมที่แบบเราจะต้องคอยปฏิบัติธรรใช่ใช่ใชถ้เราแต่ละ<ำ>น้ก็ควรจะทําอันนีควาสึกว่าพอปฏิบัติธรรมท่านเนี่ยบางทีมีพระอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราไปจนจ้านมากจริงผู้หญิงก็ไม่ควรสมควนี่ครับา้าไปจะทำยังไงเพราะมันทุกข์ใจาอเนี่ยก็ถ้าเรามีผู้ชายพาไปด้วยอ๋อปกติมีผู้แต่ก็ท่านจะมีผู้ชายอยู่แล้วเอ ก็ไม่ไม่เสียหายอะไรก็ไปทําทําเท่า ท, ที่เราจะทําได้ถ้าที่มันสมควรที่มันเหมาะสมแต่ถ้ามันทําแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วรู้ในโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดสมองกูบาจาันจะละสังขาไปเออจบไม่ต้องเปลี่ยนดึงไงเพราะมันเพราะระท่านอยู่แล้วม่ใช่ก็ทุกคนก็พาท่านจบก็ทุกคนก็โอเคจบแล้วก็ไปก็อันนี้ก็แล้วแต่ ว่าเราอยากจะให้ท่านอยู่หรือไม่อยากให้ท่านอยู่ถ้าเราอยากให้อยาก <PM S 2> จะเห็นแกตัวมั้ยคะไม่หรอกถ้าเราอยากให้ท่านอยู่จริงๆเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องดูแลท่านจริงๆถ้าเราไม่ดูแลท่านจริงๆก็แสดงว่าเราอยากแต่ปากแต่ใจเราไม่ได้อยากจริงแต่ว่าตอนเนี้เพอาะไปยุ่งยุ่งเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างนี้อยากมีพระให้บังโอ๋ให้ให้เหมือนถือไม้ก็รู้ที่ทำยังไง แล้วขอมันถือเราเนี่ยก็ไหนที่มันไม่ควรจะให้ก็ไม่ต้องให้เราต้องหยักแน่งอยู่กับความถูกต้องอัไหนที่เรามันไม่เหมาะสมก็ไม่ควรที่จะถวายท่านท่านจะโกรธจะเกลียดเราก็เป็นเรื่องของท่านองค์ท่านนั้นจะไม่ทราบจริงนะแต่คือคือหลวงปูอ่อาจะไม่ทราบแต่พระที่เป็นพระดูแลเป็นคนบอกจงเองจงต้องตัดสิ่งได้ดีแต่ที่ท่านพูดไม่ใช่พระหลวงปู่ท่านไม่ได้รู้เรื่องนี ผมท่าไม่ได้เป็นผู้สั่งนะที่เข้าใจที่คุณใช่ใช่ไม่ม่แม่หลวงปู่ท่านไม่ได้ผู้สั่งแต่จงไม่ใหม่เกี่ยงปู่เลยะไม่เกี่ยงปู่เลยเขาานข้อแล้ค่ะเมื่อกี้ท่านบอกว่าสมมติราไปนั่งแล้วเกิดเวทนาเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยนั่งปุ๊บแล้วเกิดเราก็ทโทจะยกตัวเพื่อให้เวทนาไปเียอันนี้ไม่ถูกใช่หค่ะอย่าไปยกเลยเพราะว่าเราเราเราเราต้องการให้มันอยู่เราเราอย่าไปอยากให้มันหาย หลายอย่างนะแต่คําเทศของท่านที่ท่านบอกว่าถ้าดินน้ำลงไฟให้ตัดสซะคือว่าเราเพลาได้แค่ไหนจบแต่ตอนนี้เริ่มตัดเนี่ยพอเริ่มตัดปุ๊บ ม, มันทําให้ครอบครัวมันจะเราก็ไม่ดูแลมันก็อย่า ง, งนี้มันจะทําให้คนเดืดอดร้อนแล้วใจมนน่าทํา ค, คือตัดในใจแต่ภายนอกก็ต้องทําต่อไปมีหน้าที่คำรับผิดชอบยังไงก็ต้องทําต่อไปมใจใจไม่ไปแบบหมอนท่นนานเลยอะไร แต่ตอนนี้เอาหลวงปู่มาแบบปกปุ๊บมันก็ต้องไปทุกวันนะวัาครั้งหน้าที่ของแม่หรืออะไรมันก็ผูกพ่องหรือของภรรยาก็ผูกพ่องเราก็ต้องถือทางสายกลางคือต้องให้มันพอดีหน้าที่ของตนก็ต้องทำหน้าที่ของท่านก็ต้องทำว่าเราต้อง ก, ก็ต้องแบกมันไปให้มันไม่ให้มันผูกพ่องถ้าเราปัญหาก็คือว่าเราอาจจะเอาภาระม า, มากกว่าที่เราจะทำได้ ดังน้ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราจะทำได้หรือเปล่าถ้าเรารับมาแล้วเราทาไปไม่ได้แล้วก็เนี่ยมันก็สร้างสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีเกิด ข, ขึ้นมาแต่เมื่อมันทำไปแล้วก็พยายามทำต่อไปไให้ดีที่สุดแล้วอย่าไปหวังอย่าไปหวังให้คนอื่นเข้ามาสรรเสริญเยือนยอไม่ได้หวงังค่ะไม่ใหญ่คนี่จารณ ก็อย่าไปให้คนมองเราอีกแบบอย่าไปกังวลถ้าเร า, เราเป็นคนที่บริสุทใจการกระทําว่าเราเป็นความบริสุทแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องวิาพากษ์วิจารเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มีทั้งมันธาตุมีทั้งสรรเสริญคู่กันไปนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ น, นีัดสิใจว่าเอ๊ะกับไปยุ่งทีมธิ์ใจของเราเองการทำตามที่เราอยากทำมากันนะถ้าเราไม่มีจิตใจที่มีความไม่บริสุทอยู่ก็ไม่เป็นไรเราทําไป เพื่อบุญเพื่อกุศลโดยตรงแล้วทำไปเลจแต่ถ้าทำไปเพื่อหวังผลอย่างอื่นก็ควรที่จะแก้ไขเสียหรืออย่าไปหวังผลตอบแทนอนุญาผู้ที่เราไปไปไปดูแลไปอะไรแต่ท่านหวังอยากจะได้บุญได้กุศลอยากให้ท่านได้อยู่ได้โปรดจัดต่อไปอย่างนี้เราก็ทำไปคนอื่นจะว่าเราอย่างไงก็มันก็เป็นคาพูดของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดอย่างไร แต่ว่าเวลาเราทําอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันสอบไปในทางที่มันมันไม่เหมาะไม่ควรขณะที่เราควรที่จะแก้ไขตัดแต่งได้ก็ควรที่จะแก้ไขเพื่อให้มันพอดีทําอะไรให้มันพอดีอย่ามันอะไรมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีที่จะตรงนี้ครับปัญหานิสญ่จะเป็นปัญหาว่า <Okay. S 2> เราจะพิจารณาเรื่ตรงไหนมันคือสายกลางตัวกลาง<ก>มัน ค, <า>คิดยากออกยากเหมือนกันจึงต้องอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์มันมันสบายมันไม่ต้องคิดมากเพราะท่านรู้ว่าอะไรดี <c oughs> พออยู่กับท่านเถอะกับท่าน <c oughs> เห็นวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อบุคคล น, นั้นบุคคล น, น, น, คค น, นี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้น เ, รนเราก็เราก็จดจำแล้แล้วกเอามาพิจารณาแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐาน <c oughs> ที่เราสามารถที่จะมาใช้กับการดําเนินชีวิตของเราได้ แต่ถ้าเราไม่มีมาตรฐานนี้เราก็จะงง <c oughs> เราจะไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรอะไรควรจะมากอะไรควรจะน้อยทน <c oughs> ต้องอาศัยการศึกษาไปรวนมนึ่งอาศัยอาศัยประสบการณ์ในชีวิต <c oughs> เพราะเวลาเราทำาอะไรไปถ้ามันเกินความพอดีมันก็จะมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเองเราก็จะรู้ว่าเออทำแบบนี้มันไม่ดีเราก็เอาเอาความผิดพลาดนี้มาเป็นอาจารย์เราแทน ถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นตัวแบบเป็นขบักให้เรายึดแล้วเราต้องดําเนินชีวิตของเราไปด้วยตัวเราเองเก็ต้องใช้การสังเกตดูว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นมันผิดพลาดอย่างไรมันถูกต้องอย่างไรเราก็เอาสิ่งเหล่า น, นี้มาเป็นเป็นมาตรฐานต่อไปชีวิตคือการเรียนรู้แหลเรื่องเหล่านี้มันถ้าเป็นถ้าเป็นถ้ารู้กันแล้วก็ไม่ต้องมามา มาปฏิบัติทำให้เหนื่อยให้ยากไม่ต้องไปโรงเรียนกันแต่เพราะพวกเรายัางไม่รู้กันก็เลยต้องอาศัยการศึกษาการเล่าเรียนเป็นเป็นการสอนตัวสอน <c oughs> นั้นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราทำได้ถ้ามีโอกาส <c oughs> ก็คือให้เข้าใกล้ผู้รู้มากๆให้อยู่ใกล้ชิดกูบาจยา์ หรือให้มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้คือเพื่อนที่เขาดีเพื่อนที่เขาฉลาดเขาเก่งกับเราเขารู้เรื่องดีเรื่องชั่วมากกว่าเราเขาจะเป็นแบบฉบับที่ดีสําหรับเราแต่ถ้าเราไปคบคนพาลอันนี้กลำลังบาสเขาก็จะฉุดลากเราไปในทางที่ไม่ดีทางที่เสียหายยากนั้นการคบคนก็เป็นเรื่องสําคัญเขาจะถึงแสดงกันรู้สึกว่าจะเป็นบทแรกในมงคลล่าสุดเลย อาเซวนาจะบาลานับัณฑิตานั้นจะเซวนาอยากคบคนทางให้ครบบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้รู้ผู้รู้ในทางเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรืสวรรค์เร่อ ง, เรองดีเรื่องชั่วก็ไม่มีใครที่จะเป็นเลิศที่สุดเท่ากับพระพุทธเจ้าเราจรึงมีพระพุทธ็ทําธ ร, ร, มสมสระสุนีสาระเป็นครูนี่เป็นแบบเป็นฉบับเราจรึงต้องเจริญ พอพุทธธรรมประสองค์อยู่เรื่อยๆคือศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงตะประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆศึกษาถึงคําสอนของท่านแล้วก็เอามาเป็นมาตรฐานแต่เรามากักจะไม่เอามาเป็นมาตรฐานกันเวลาจะทําอะไรเรามากักจะทําเป็นลืมไปว่าท่านสอนให้เราทําอะไรแล้วท่านห้ามไม่ให้เราทําอะไร <c oughs> ถ้าถ้ายึดมาตรฐานยึดท่านเป็นมาตรฐานแล้วจะไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่จะไม่ผิดหวังเท่าไหร่จะไม่เสียใจ้ัสเซญยบางทีเรามันชอบชอบยึดมาตรฐานของเราเองมากกว่าท่านท่านริญครั <c oughs> อยากให้ท่านจรารย์อธิบายตรงเงัินเพื่อน้องที่ได้เข้าใจเขาเปลงว่าเขาจะรู้ใจท่านจารย์วาดในการ เรื่องรูกหรือกรรมเนี่ยหรือเรื่องผู่แฝดชีวิตกถามให้ตัดในตัดในใจไม่ใช่ตัดใาย น, นอกตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายให้เขาโดยละเอียดหนอคือไม่ต้องไปกัวงวลไม่ต้องว้าวุ่นขุนัวกับใครทั้งสิน้นแต่เรามีหน้าที่อะไรกับใครเราก็ทําไปเราต้องดูแลใครรักษาใครเลี้ยงดูใครเราก็ทําไปเต็มที่ด้วยความเมตตาเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเคยทํามาเพียงแต่เราไม่หวังผล ที่จากการกระทําเราไม่ได้ไปตั้งเป้าว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้แล้วผลอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นเสมอไปถ้าเกิดขึ้นก็ดีไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราปรับปรุงแก้ไขได้เราก็ปรับปรุงแก้ไขไปบางทีการดําเนินการปฏิบัติของเราอาจจะไม่ตรงเป้าตรงเป้าก็ได้ก็ต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, นการกระทําของเราเหใหม่แต่จิตใจของเราจะไม่ไปกังวลกับผลที่ตามมาจะเป็นการชดเชยจะเป็นการยินทา ถ้าเป็นการนินทาถ้าเราฟังไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ดีเพราะคนนินทาบางคนเ้านินทาด้วยจิตใจที่บริสุทธถ้ า, า จ, จะเห็นว่าการกระทำของเรานะี่ยมันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราก็คนที่จะดํามาวิเคราะห์ดูถ้าเราไม่แน่ใจเราลองไปปรึกษากับผู้รูผร้ผู้รู้คนอื่นดูทีวก็ได้ว่าสิ่งที่เขานินทามานี้เป็นอย่างไรถูกต้องไหมเราอย่าใช้อารมณ์เพราะส่วนใหญ่คนเรามักจะมีอารมณ์ต่อต้าน การ น, นินทาเสมอแต่วะะะเวลาสารเสแสร้งนี่เราจะพร้อมที่จะรับเสมอจะจริงหรือไม่จริงนี้เราพร้อมที่จะรับเสมอหน้าตาไม่สวยไม่งามคนเขาชมว่าสวยว่างามยังยอมแต่เวาลานิานนี่อะไรนิดอะไรหน่อยตัดไม่ได้เลยใช่ไหมสังเกต ด, ดูยิ่งคนใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่นี้ใครไปตำหนิติดตีนหน่อยนี่โอ้โจะเป็นเป็นไฟขึ้นมาเลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องของกิเลส ถ้าเรื่องของทำแล้วใครจะม่าเก่าวตัดว่าว่าเก่าตก ว, าวาาตักเตือนตำหนิอย่างไรก็พร้อมที่จะฟังพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระมีการปรวานากันเช่นวันวันสุดท้ายของปรรษาธรรมดาจะลงปฏิโมกษฟังพระปฏิโมกกันวันนั้นท่านจะยกเว้นไว้วันหนึ่งให้เป็นวันปวานาคำว่าปวานาก็คือให้พระประวานาตัวเองเปิดโอกาสคำว่าปวานาก็คือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่าเก่าวตำหนิติดเตียนตนได้ เช่นเห็นเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านว่าก่าวตัดเพลินข้าพเจ้าได้นี่คือการปวานาของสง์เวลาที่ท่านจะออกกงสากันพระทุกรูปตั้งแต่พระพระเจ้าวาดลงมาจะต้องปวานาตัวเองในถ้ำกลางประชุมสงโดยเปิดโอกาสให้แม้กระทั่งพระนวกะพระบวชใหม่ถ้าเห็นว่าถ้านทำผิดอย่างไรสามารถว่าเก่าวตัดเพลินท่านได้เลยนะครับ นี่คือหลักของศาสนาคนเราอย่าไปคิดว่าเราวิเศษวิโสถูกต้องเสมอไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่าเกา่าพระพระรูปอื่นว่าเก่าวตําหนิติเตียนท่านได้เหมือนกันหลักของการประวารณานี้ก็คือเพื่อที่จะให้ผู้อื่นชี้เห็นชี้โทษของเราเพราะบางทีเราจะมองไม่เห็นโทษของเราเองเรามักจะเข้าข้างตัวเราเองเสมอ เวลาเราทําอะไรเราจะคิดว่ามันถูกมันมันดีมันงามเสมอแต่ในสายตาของคนอื่นก็อาจจะเห็นแล้ววอดูไม่ได้เราควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาพูดได้ว่าได้แล้วส่วนจะเราจะนําไปแก้ไขดัดแปลงยังไงก็ขึ้นอยู่กับการพูดกับเหตุกับผลที่เขาแสดงมาทีถ้าสิ่งที่เขาพูดนะั้นมันถูกต้องเป็นความเป็นจริงเออเรานี่ไม่ดีจริงๆริงเราควรจะแก้ไข ถ้าเรานําไปแก้ไขเราก็จะได้รับประโยชน์คนที่เขาชี้โทษของเราก็าไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์คนที่เขาชี้โทษให้เรานั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราคนที่เขาว่ากล่าวติเตียนเรานั้นเป็นคนชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเราควรที่จะขอบอกขอบใจเขามากกว่าที่จะไปกดแค้นกดเคืองเขานี่คือหลักของการปภาวนาทุกปีเวลาพระจะออกพรรษา วันวันวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอดเนี่ยที่เรียกววันปาวานาจะเป็นวันแทนที่จะลงลงลงฟังพระปฏิโมกคือสินสอรอยี่เจ็ดข้อวันนั้นจะยกเว้น1งวันให้เป็นการปารวานาเริ่มต้นนั่งแต่พระเทระผู้ใหญ่ท่านจะต้องปาวานาตัวเองสร้างทำอาโบุโซปาวาเรนิเบเทนวาสเตนวาฟริซังกา ย, ยวานี คือเป็นการพูดบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านตรวจว่าขกา่าตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็จะว่ากันไปทุกทุกองตามลาดับไปแต่ในสมัยนี้ก็เป็นการเพียงแต่เป็นพิธีเนทะ่านั้นคือไม่มีใครกล้า ว, ว่าใครพอว่ากันครบทุกอง์แล้วก็จบ <c oughs> แ ต, แต่ถ้าในวัดกรรมฐานนี่ก็ถือว่าภาวนากันตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปในวัดท่านค่ะแล้วเราเข้าไปในวัดท่านนี่ถือว่าเราต้องเปิดโอกาให้ท่านว่าเก่าวทำหนี้ทิเทียนเราได้เป็นลูกศิษย์้องหาอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะดูดจดาว่าเก่าวยังไงก็ต้อ ง, ต, องต้องทนฟังไปเพราะเราไปเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วเราไปเพื่อที่เราจะได้ดีเราจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราแก้ส่วนที่บุคองของเราถ้าเราดีจริงแล้วเราก็ไม่ต้องฟัง แต่ถ้าเรายัางไม่ดีเราต้องอาศัยผู้อื่นท่านก็เป็นเหมือนกระจกเงานั่นแหละเวลาเราแต่งตัวเราจะไปรู้ได้ไงว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีกระจกเราจะแต่งหน้าทาปากอวี๋เาอวีผมใส่เสื้อผ้าให้มันดูสวยงามเรียบร้อยได้อย่างไรถ้าเราไม่มีกระจกไม่ดูอันใดเราอยากจะเป็นคนดีไม่มีที่กงน้ไม่มีข้อบกพร่องเราก็ต้องอาศัยผู้ที่เขา รู้ดีกว่าเราเป็นคู่คอยว่ากาวตักเตือนเราแล้วเราจะได้นำออกไปแก้ไขแล้วเราก็จะได้การเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอาแล้วนะอ่า ยะถาวาริวหาปุราปุเรนติสักหังเอวเมวะอิโตทินังปิตาณังอุปกาปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกปะยัโทปัญญาโสยะถามณิโขติระสมุยะถาสัพีติโยบิวชันตุสักหลโควินัสตุ มาเตขวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอาภีวาธนสีริสะนิจจมุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวาพันติอายุวันโนสุขาพะลา หลัวจุดจีนไปฉลองกันนะองุต้องไปไหว้ต้องไปไหว้เจ้าไห้อะไรอ่ายเิมที่จะมาองมีมาอะไรแต่มาต้องมีไหว้ที่กุฏิที่เรี่จจัยไดไได้ยวพี่ไปไหว้ที่ที่ตราด กายทางกาทางกายทาง่ายเลยนะก็เร e, the ื so ่องของทางสร้งม yes. ันต yes. yes, yes. ้องไปมันไปตั้งแต่ว่าทุกทางใจเป็นการที่ต้องรับได้ใช่เราสร้างมันขึ้นมาเองยความ้วยความไม่อยากควาไม่ชอบอะไรงนี้เต้นเราต้องแก้ตัวอไรนใช่แต่มันก็ไม่สุดวิสัยหรอกใหม่ๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นไปก็เป็นงานที่เราต้องทำใช่ เนี่ยพบชาตามก็เกิดพบชาติมันก็เกิดขึ้นจตัวนี้เขที่จะาทุกวันนี้ก็าต้องงานนี้ตัวนี้เสร็จก็ถือว่าเราเริ่มต้นก็แล้กันเวลาเริ่มต้นมันก็ยากมันก็โ้มนุ่มคลุกคานเหมือนเด็กที่กําลังหัดเดินตอนต้นก็ต้องคานได็ก่อน ลกขึ้นมาบ้างแล้วก็ขานบ้างบ้างถ้าเราไม่ไม่ไม่ฝึกไม่ทําเลยมันก็ไม่ก้าวหน้าพราชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเสียไปโดยปรานไปเลเพราะเป็นเป็นภพชาติเดียวเนะียเท่านั้นที่จะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ภพชาติยอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีโอกาสทำอะไรเป็นเทวดาก็จะมีแต่ความสุขก็ไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเดือดร้อนเป็นเดราจฉานก็ทําไม่ได้ไปอยู่ในโลกก็มีแต่ความ ทุกมีแต่ความทรมานใจทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่ภพของมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถปฏิบัติธรรมได้สะสมบุญบารมีได้แต่ได้แต่กินกินบุญเก่าเอาไว้มวดเข้าไปสวยสุขของเขาเขาจะไม่ค่อยเจอความทุกข์เท่าไหร่ก็เลยไม่มีปัญหาที่ให้เขาต้องมาแก้เพราะเทวดานี่มีแต่ความสุขอย่างเดียว เรื่องการปัญาหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วลูกเกี่ยวกันให้เวลาครอบครัวมันมีปัญหาของคนที่เข้ามา ก, ก็คือพันละวางแต่ละวางกันละเลยเนี่ยบางทีจะไปคู่กันเลย ละเลยนี่มันจะทำให้ครอบครัวเสียละวางมันก็จะอย่างนี่เรางานเราต้องทำความคนดีตรงเนี้ยยากเหมือนกันคือจริงๆอยากละวางนะแต่ว่าบทนี้ก็อูควก็หาวันละเลยปัญหามมักจะเกิดตรงนี้นะแล้วเราเราจะพยายามครอบครองสองส่วนนี้ให้บาลานซ์อย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างบางทีก็ตัดสินลาบากมากนอย่างเนี้ย สองสมาธินี่ไม่อยู่บ้าเรือไปบอกวัดจริงที่ว่าเราโชคดีบางทีลูกโตแล้วลูกไม่เขาไมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยลูกเข้าใจด้วยเข้าใจไม่เขาไมีปัญหาแต่บางบางทีบางแห่งเขาไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่ว่าบางทีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามคนตามกรรมคือถ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติกับเขาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้ายังไม่พอมันก็เป็นเรื่องของตั้หาของเขา่ย แต่ปัญหาคือเราอยากละเรื่อยทันทีเหรอครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับตอนเริ่มต้นตอนที่เรายังไม่เคยเข้าวัดอตอนนั้นเราอาจจะให้เขาได้อย่างเต็นที่เขาต้องการเท่าไหร่เราก็ให้เขาได้แต่ตอนนี้เราเริ่มอยากขอแบ่งเวลามาให้กับตัวเราบ้างก็อาจจะไม่เข้าใจก็ อ, อาจจะต้องอาศัยการทำความเข้าใจกันอาจจะคุยกันบ้างเพราะว่าชีวิตเราก็ใกล้ ฝังขึ้นมาทุกวันแล้วไอ้เรื่องหล่านี้ที่เราเคยมีกันมานี่มันก็มันก็จำเป็นซ้ำซากมันก็ไม่มีอะไรยิ่งเสพโสขึ้นกว่าเดิมนิ่งไม่ดีทํำไมไม่ชวนไปด้วยกันนะ mm hmm. ชวนไปด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันได้มันก็จะมีความสุขด้วยกันถ้าทําอย่างนั้นได้มันก็เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา ถ้าเรามาทางเขาไปทา ง, างนี้มันก็จะเกิดมันก็อดที่จะคิดไม่ได้ชเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนที่มาตีบเราใหม่ๆรู้แต่ว่า <c oughs> มามา <c oughs> ช้ามาเย็นา <c oughs> มาได้ทำไมตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังทําแบบเดินไม่ได้ <c oughs> มันเขาก็จะอดคิดอย่างนั้นไม่ได้ชส่วน <c oughs> หนึ่งมันก็อยู่ที่ความผูกพัของเรามันจะบอกว่า ข้อคนไหนโชคดีคือมาด้วยกันมันเขาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนหนึ่งมาอีกคนไม่มาเขาไม่อยอมเข้าใจนี่มันจะเป็นปัญหาอก็บางทีก็ต้องเลิอกอ่ะบางทีก็ถ้าไม่อยากจะให้เขาเสียใจยไม่อยากให้เขาทุกก็ต้องต้องตามใจเขา้วก็ปฏิบัติที่บ้านไปแทงป <c oughs> ่าเงินมาใครก็มาทำ บ, บุญเขาป่าก็มาแทงแล้วก็เอาเิปเอาแผนที่ดีก็ไปฟังที่บ้านก็ไปทำที่บ้านแทนท ถึงอย่างงั้นเขาก็ยังไม่พอใจอ่ะถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนียเขาก็จะเขาก็จะว่าเราอยู่นั่นนี่มีคนที่มีเข้ากลัวเขาก็บ่นให้ฟงนี้พอคนหนึ่งพอคนนึงปฏิบัติไี้คนหนึงไม่ปฏิบัตินี่มันก็มันก็เริ่มมีปัญหาแะ้วเป็นมก็อยู่ที่เราว่าเราจะทํายังไงเราจะเอาอะไรบางทก็พบว่าขบวนอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตัดได้ใช่ไหม กระโดดไปเลยไปเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังอยากจะรักษาน้ําใจรักษากิเลสเขาก็ก็เอาใจเขาไปก่อนถือว่าเราตกกระไดพอโจมนาเขาแล้วถ้านี้เราคิดผิดไปแล้วก็สิ่งที่เขาจะลาต้องรอไปจนกว่าเขาจะตายจากเราไปเมื่อเขาเบื่อเขาทิ้งเราไป ที่นอาจารยถูกต้องนะว่าหน้าที่ก็ทำไปเรื่องรักษาใจของเราเราก็ทำเราไปอะไรเงี้ยแต่ทีนึงเราก็ผู้พเทอนบ้างเหมือนกันีนี้น้องบอกว่าอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปห้องห้องนี้นะเขาพูดว่าจะบ่นว่ามันวันอยู่ในห้องห้องมีแต่ทีวีอะอย่างนี้ก็เป็นปัญหาบางทีทำไม่ได้รูปได้สมยาแานจากสามีแต่รูปว่าไม่ชี้ ไม่ชี้หรไม่ชีกับแก้วก็ดีเขายกย่องเราแหละเป็นแม่ชีที่มันเสียตรงไหนเอแย่เพรา่เป็นม่ชีไปถ้าเปนระก็เฉยค่ะต่อไป้รก็ต้องเป็นแม่ชีกันกับเงี้ยเป็นแม่ชีแก้วไม่ดีเลยนี่ก็ต้องเป็นแม่ชีกันตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นพระตอนนี้อาตมาปฏิบัติก็ไม่คิดว่าจะมาปกครหัวบสถเป็นพระหรอก ที่ว่านั่งมาที่เพื่อความสุขใจจะได้ทั้งความสุขทังโลกได้ทั้งความสุขทางด้านจิตใจแต่พอมันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเห็นเองว่ามันขัดกันมันไปด้วยกันไม่ได้พอถึงเวลานั้นโกนหัวก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรแต่ตอนนี้เสียดายผมนัม่นจะตัดผมท่านหน่อยก็เสียดายไป <c oughs> ผมยาวนี่ใครมาบอกให้ตัดยังโกรธเลยขนาดพ่อบอกให้ตัดผมนี่ยังโกรธแต่พอถึงเวลามันจะบวดขึ้นมานี่มันไม่เสียดายเลยโกนไปได้ นั้นก็ต้องพยายามารักษาตัองใจไว้นะแล้วก็ทำเท่าที่เราทาได้ไ ป, ไปก็แล้วกันเพราะการทำดีก็ไม่ต้องวันนี้เกือบสม <c oughs> มามขึ้นมงเลยมันใ้ใหญ่เลยมันจะต้องลง ไอ้ทำไมเวลาอานนี่มันมีหลายสปีดแล้วกันบางทีก็ร้อยี่บแปดบางทีก็หกสบีคือบางทีขยายเสียงใช่ไหมค่ะมันต้องเ <6 S 1> ปลี่ยนสปีดด้วยเหรอเขาไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสปีดเนขะาไปตัดตัดเสียงรบกวะแต่สปีดมันเดิมมันมีทั้ง 128, 64, 1 <5. S> 2อยยี่บแปดหกีสาสิบสองอาจจะไม่ได้สังเกต ด, ดูไหมถ้าถ้าสปีดมันตามไฟล์มันจะเล็กแก รัสปอย่างรอยี่ิบแปดนี่มันจะสี่เท่าของไฟล์อยสิบสองปกติถ้าเหลวเวลาไลน์เนี่ยจะไลน์แต่ไม่มี <Speed S 1> ปัญห า, าละเพรเราเปลี่ยนเ <c oughs> พราะเราเปลี่ยนได้มันมีโปรแกรมเปลี่ยนสปีดได้แล้ เ, เปลี่ยนแล้วมีโปรแกรมปรับเสียงได้มีโปรแกรมตัดเสาได้นนแต่นี้ก็ไปใช้โปรแกรมตัดต่อเหมือนกันบางที่เวลาไปไปทำตัดต่อเนี่ยมันมันมันตงสปีดใหม่ เราที่เราไม่รู้ตัว เ, เราไม่ได้ไปเช็คสปีด ท, ที่มันเราต้องเข้าไปดูว่าเราตั้งสปีดไว้เท่าไหร่แต่ตัวใหญ่ฟที่ที่อาจจากเครื่องนี้ไปรู้สึกจะเป็น60นะกว่า60กวนี้รู้สึกกำลังจะพอดีพอดีมัไม่มกินแเตรีของเครื่องท่มับนใสมันกินแค่ที่น้อยงกินที่น้อยถ้128มันก็สองเท่า128นี้จะใช้กับพวกเพลง ก็เคถ้าถ้าถ้าเสียงนี่บางทีไม่ถึงอ่ะ32ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะอุ้อออไปหน่อยแล้ว64นี่ก็รู้สึกว่าชัดแจ๋วดีนนแล้วจะเป็นดีฟอสของเครื่องอ้าดีฟอสเวลาเครื่องเครื่องที่เราอาัดก็เป็นดีฟอสอย่างเีง แล้วเวลาเราเอาเอาเอาไฟล์นี่ไปตัดต่อมันก็มีดีฟอยู่ในนั้นอีทีเราต้องเข้าไปดูแล้วต้องไปดูที่เพราะบางทีจะตัดตออย่างช่วงที่มันเสียงรบกวนมากๆจะตัดออกแล้วก็ช่วงไหนที่เสียงเบามากๆก็จะขยายเสียงพอพอพอตัดออกเสร็จมันจะเซฟใหม่เซฟใหม่มันก็จะมีสติที่เราตั้งไว้ในนั้นเราไปดูว่าเซฟที่สติเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าเราถ้าเราเราก็มีเราก็มีโปรแกรมอย่างที่การที่แล้วมันร้อยยี มันร้อยยี่แแล้วก็ลดลงเหลือหกสิบสี่อ๋อ <c oughs> โอเค <c oughs> อันนี้ไม่ได้บอนะพี่งแต่ค่ะลจะได้